อาจารย์ครับการรัฐวิสาการครับเจรานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยี่สิบเอดนะครับอาจารย์ครับเมาาื่อเช้าอาจารย์ไปบินาบาดคนเยอะไหมครับผมเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดสิเจ็ดอ้ยเมื่อเช้าทำไมคนเยอะจังครับวันตรงวันพระอ๋อวันพระแล้ววันอาทิตย์วันตรงกัน คนทั้งบ้านประมาณห้าร้อยประมาณพันพันสองร้อยโอครับเจ0ดร้อยนี่พระอาจารย์ใช้เวลาเดินไอ้เวลาบินาบานานไหมครับผมเกือบสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงสี่สิบห้านาทีครับผมคือครับแล้วตอนบ่ายนะครับพระอาจารย์คนเยอะไหมครับสองร้อยห้าสิบประมาณสองาสิบแสดงวันนี้คนเยอะอือรวมแล้วก็เก้าร้ย ก, ก, ก, ก, กว่าเกือบพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่า วันพระก็เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญครับต้องทําบุญใสบาตเข้าวัดสังเทศษตสังทำเลยไมียุดมีจำนั้นวันนี้มาตรงกับวันอาทิตย์ด้วยเพราะว่าเป็นวันหยุดพอดีถ้าเป็นวันพระที่ไม่ตรงกับวันหยุดก็คนก็จะน้อยเพราะว่าต้องไปทาํางานคนส่วนใหญค่คืนนี้ก็เข้ามาพันกว่าคนแล้วครับอาจารย์ครับอืม อ, มอาจารย์ครับ อาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อเพราะว่ารู้สึกคนไทยอใจบุญครับเวลาได้อะไรอะไรหรือว่าป๊อ ป, ปได้บนเยอะแยะมากเลยเตี่ยไม่กี่วันก่อนก็นกมีคนไข้ที่ที่มอนอที่อ่าพิษณุโลกนะครับอาจารย์โพสตบอกว่าตัวเองป่วยแป๊บเดียวคนทําบุญมาล้านหกคืนเดียวโอ้โหคนไทยใจ mm hmm. จริงครับอาจารย์แล้วเรื่องก็เกิดเยอะแยะเลยเรื่องเรื่องอะไรต่างๆก็เลยอยากกลับขอบัญญาตอาจารย์ mm hmm. ว่านอกจากวิธีการนี้แล้วเราจะ ทำบุญด้วยวิธีการอย่างอื่นได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับครับขอปัญญาครับก็บุญก็มีบุญที่ก่อจากการให้ทานซึ่งเป็นบุญที่มันง่ายไงเพราะว่าเราเพียงแต่บอยจากเงินที่เรามีเลื้อกินเลื้อใช้เราก็ได้บุญแล้วแล้วก็แต่บุญที่ได้มากที่ที่ยากแต่ได้มากกว่าบุญที่ก่อจากการทําทานนี้ ก็คือการปฏิบัติธรรมอันนี้ยากเพราะว่ากว่าจะได้ผลนี่มันนานมันยากเหมือนกับการหางเงินร้อยบาทกับการหางเงินล้านบาทเนี่ยอันไหนจะง่ายกว่ากันร้อยบาท น, นี่อันนี้ก็เหมือนกันทําทานนี่ก็เหมือนหางเงินร้อยบาทไปทํางานไปสมัครงานเป็นพนัก ง, งา น, นเก็บขยะก็ได้ละวันหนึ่งร้อยบาทครับ แต่จะหาเงินล้านี่มันกล่าจะได้นี่มันไม่ใช่ของของ่ายอย่างคุณหมอเนี่ยก่อนจะมาเป็นหมอได้ก็ต้องไปไปเข้ามาหาเลยเอ็เอ็นข้อแพทย์ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเรียนหกปีให้จบแพทย์แล้วพอจบแพทย์แล้วคุมมาหาเงินทำเนี้ยกี่ปีถึงจะเก็บเงินได้ร้านหนึ่งหลายปีนะครับก็ก็หลายปีเหมือนกันแต่ก็อาจจะง่ายกว่าคนอื่นครับ ใช่แต่นี่พูดในการณีเปรียบเทียบว่ามันการที่จะได้บุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ของง่ายแลวต้องใช้เวลามาก อ, อย่างหลวงตา ม, มหาบุรีนี่เท่าที่ประวัติทุกท่านท่านเคยเล่าท่านบรรุ ธ, ธรรมพรรษาที่สิบหกสิบหกปีงนั้นคนส่วใหญ่ก็เลยไม่เอาดีกว่าาการบรรลุ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรม แล้วมันต้องอยู่แบบกินน้อยนอยกระดิ่งกินกาะสายอยู่พราธ้าทุดงพราป่ า, าท่านตัดหมดความสุขทางกายฉันมื่นเดียวฉันในบาวินดับตามมีตามเกิดนอนตามโคนไ ม, ม้ปักกรเนี่ยนะคือบุญที่ที่ได้เยอะแต่ยากจึงไม่ค่อยมีใครอยากจะทำกัน แตบุญที่ง่ายคือเนี่ยแบ่งเงินบอแบ่งเงินเดือนเราไปสักนิดหนึ่งเราก็ได้บุญแล้วแต่มันบุญน้อยมันบุญแค่ร้อยบาทเปรียแบบเทียบกับบุญที่ได้จากการปฏิบัตินี่เป็นบุญล้านบาทแต่บุญล้านบาทนี้ก่อนจะได้มเมา่อก็ย <c oughs> ินห้อยพูดง่ายๆต้องพีชีพต้องพีชีพต้องผูกขาดเรื่องวันนิพพานอยู่ฟากตาย ผู้ที่ไม่ยอมตายนี้ไปไปนี้ผ่านไม่ได้นะมันถึงยากงั้นก็อย่าไปพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเลยมันเป็นเรื่องของคนจำพวกหนึ่งเป็นพวกถ้าเปรียบเทียบกับพวกพวกนักกีฬาออนเป็กเหรียญทองหรือพวกมืกอกอลระดับโลกเนี้พวกนี้เขาฝ่าจะไปถึงจุดนั้นได้กเขาต้องซ้อมขนาดไหนใช่ไหมต้องศึกษาประวัติของพวกมืกอกอล์ฟระดับหนึ่งของโลกเลย เขาตีกอลมาตะกี่ชั่วโมงก็ฝึกซ้อมมาตะกี่ชั่วโมงกว่าที่เราจะได้เข้าไปชิแมแชมป์ได้แมันก็เปรียบเทียบกันอย่างเนี้ระหว่างมือโปรกับมือสมัครเล่นมือสมัครเล่ น, ลนก็ขอทําบุญไว้ก่อนนะ ท, ท, ทําบุญทําทานไ้ก่อนแต่มือโปรนี่ต้องสละหมดเลยถ้าจะเล่นกอล์ฟก็ตีแต่กอล์ฟอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนไม่ไปทําอะไรอื่น ถ้าเป็นนักกีฬาชนิดไหนก็ต้องทุ่มเทชีวิตให้กับกีฬาชนิดนั้นถ้าเป็นหน้าปฏิบัติธรรมก็ต้องทส้นเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เป็นของที่จะทำกันแบบง่ายๆทมที่โลกเข้าใจกันแตมน่มันยากศึกษาประวัติขนาดพระพุทธเจา้าัต้องหกปีด้วยกันัพื่อจะเสด็จออกบวชโดยงดบัณฑุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย เพรนั้นก็ชวนชวนชวนชวนมาปฏิบัติได้แต่หาคนที่เอาจริงเอาจังนี่หาไม่ค่อยได้มาแค่สองสาวันก็โหกลับบ้านแล้วมาอยู่แล้วเอาแบบพอจะปฏิบัติได้อย่างมีคนถามเลยครับอาจารย์เอาแบบพอปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันบ้างอย่างี้ครับ อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงทำยังไงครับอาจารย์ครับก็อย่างวันที่บรนพระเนี่ยอย่างน้อยมันพระต้องต้องต้องเป็นนักบวชชั่วข้ามทั้งวันเลยไม่ไม่ทํากินอย่างอื่นทําแต่กิจการปฏิบัติถือศีลแปดอ่ากินมื้อเดียวแล้วกินสองมื้อแต่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ดูมหัรสยบันเทิงต่างๆไม่เสวมสวยความงาม ทางร่างกายไม่นอนบนเตียงที่สำราญเตียงที่สุขที่สบายไม่นอนกับพื้นแต่งกายเรียบง่ายชุดขาวแล้วก็ไม่ไม่สังค ม, มือบใครปีกวิเวกเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับอันนี้อย่างแบบง่ายๆแบบคาววะที่สามารถทำได้เพราะเป็นวันหยุดทำงาน แล้วก็ทางที่เอาวันหยุดนี้ไปไปเที่ยวไปกินไปเดินไปหาความสนุกสนานกันก็มามาปฏิบัติธรรมกันทําได้มหมขนาดง่ายๆอาทิตย์ละวันนะขอให้ขอเองแต่อาทิตย์ละวันให้เราสละเวลาตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติมรนพราวไว้ก็เพื่อให้เราหยุดการหาความสุขทางโลกแล้วมาหาความสุขทางธรรมกัน การปฏิบัติธรรมต้องมันต้องต่อเนื่องเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยเวลาจะบินขึ้นอากาศได้เนี่ยขึ้นไประทางฟ้าได้เนี่ยรันเวย์มันต้องยาวใครรันเวย์ไม่ยาวพอกําลังสมไม่พอมันก็จะวิ่ขึ้นไม่ได้รันเวย์ของการปฏิบัติก็คือเวลาให้กับการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยมันต้องเป็นเป็นสติสัมปชัญญะต่อเนี่ยเป็น เป็นชั่วโมงช่วมงเป็นทั้งวันนี้ถ้าเวลามานั่งสมาธิมัก็จะมีกำลังส่งสติจะมีกำลังมากก็จะสามารถส่งจิตให้เข้าสู่สมาธิได้พอเข้าสมาธิได้แล้วทีนี้ขั้นปัญญามันก็จะมีมีมี ม, ม, มีมีความหวังถ้ายังไม่ได้ขั้นสมาธิทางปัญญานี้ไม่มีความหวังเลย มันมันจะได้ยินได้ฟังทำได้ได้คิดได้พิจารณาแต่มันเป็นทฤษฎีเป็นความเป็นความคิดปลูกแต่งไม่ให้เป็นความจริงเพราะความจริงเราต้องเอาไปพิสูจน์กับความจริงเช่นเวลาไปเจอความทุกข์อ่ากเรื่องใดเรื่องหอนึ่งแล้วเราสามารถที่จะใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ไหรือไม่อันนี้มันเป็นแต่ถ้าไม่มีสมาธินี้มักจะ ไม่สามารถใช้ปัญญามาดับความทุกข์ทางใจไนดะ้เพราะไม่มีกำลังที่จะหยุดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือความอยากต่างๆความโลภต่างๆ น, นี่ก็ถ้าอีนน้เป็นฆราวาสถ้าอยากจะได้ธรรมะอยากปฏิบัติธรรมก็อาทิตย์นหนึ่งวันมาบวชเป็นนักบวชชั่วคราวปฏิบัติเนก่ยธรมะ ดูสินงแตแล้วก็จะเดินสติเดินยังคงสลับกการนั่งสมาธิไปจนถึงเวลานอนนอนกั น, นอนแค่สี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติต่อจนคร บ, บ ว, ร 1, วน 1, นรันครบวันละหนึ่งวันหนึ่งคืนอาจารย์ครับตอนพระอาจารย์อ่านสติปัฏฐานสูตรตอนนั้นนะครับที่ยังไม่ได้ลาออกจากงานเนี่ยครับตอนนั้นเห็นผลบ้างไหมครับอาจารย์ครับ คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าถึงสติปัญฐานสูตรเพแต่ได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของตายรักแล้วก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญา yeah. <Okay. S 1> ก็รู้ว่าต้องรักษาศีลซึ่งเรสังเกตดูตั ว, วเราเราก็รู้สึกจะมีครบศีลเราก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถือศีลแปดคือยังไม่ได้กินอาหารหลังเช้ายังไม่ได้ยังกินอาหารอยู่สามมื้ออยู่อย่างนี้ พอรู้ว่าจะต้องถือศีลแปดก็เลยหัดกินนื้อเดียวไปแล้วก็เริ่มหันนั่งสมาธิไปนั่งใหม่ๆก็นั่งได้ไม่นานแต่ก็กพยายามนั่งไปนั่งได้บ้างนั่งได้สักพักก็เจอความเจ็บพอเจอความเจ็บก็หยุดหยุดนั่งแต่นั่งบ่อยๆเขาก็บอกว่ามันก็มาติดอยู่ตรงนี้นก็ต้องหาวิธีผ่านมันให้ได้ อะไรใช้คําบริกรรมตอนต้นก็นั่งดูลงไปพอเจอความเจ็บก็เปลี่ยนเป็นคําบริกรรมท่านนั้นก็ไม่รู้จักคําบริกรรมพุโทโธก็เลยใช้คําบริกรรมอนิจจังแต่อนิจจ์อนิจนจ์ไปแล้วมันก็เกิดความอาสจรรย์ใจจิตมันก็นิ่งสงบแล้วก็ความเจ็บนั้นมันก็หายไปตอนตอนก่อที่บันหายนะั้นจิตก็เครียดเครียดกับความเจ็บ สังเกตเวลาหัวนั่งแล้วเจอความเจ็บนนใจมันจะเครียดมันจะทุกข์แต่พอเราใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปสักไม่นานเนดะี๋ยวเดียวใจมันนิ่งแล้วความเครียดหายไปใจสงบเหมือนไม่มีไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วความเจ็บก็หายไปมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามาสา์ใจว่าโอ้คาบริกรรมนี้สามารถที่จะทําให้ใจสงบนิ่งได้และทําให้ความเจ็บนั้นหายไป มันก็เลยเกิดมีศรัทธาที่อยากจะนั่งให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นก็เลยรู้ว่ามันไปขัดกับการทํางานเวลาทํางานก็ต้องใช้ความคิดนะก็ควบคุมสติไม่ได้ไม่ให้คิดไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะต้องหยุดทํางานดีกว่าจะได้เอาเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนก็เลย ก็เลยบอกลู่หน้าเขาก่อนว่าจะขอลาออกจากงานใ ห, ให้ให้บอกลู่หน้าสามสิบวันตามกฎระเบียบแจ้งเขาให้ทราบอะไรก็มานั่งคำนวณดูว่าเรามีเงินประมาณเท่าไหร่พอจะอยู่โดยที่ไม่ต้งองทางานได้เท่าไหร่เขาคิดว่าประมาณทักหนึ่งปีก็เลย ต, ต, ตั้งเป้าว่าเราจะเอาปฏิบัติทักหนึ่งปีโดยที่ไม่ไปยุ่งกับใครเลยอยู่คนเดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมกับใครไม่ยุเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสใจต่างๆก็คิดว่าอยู่ได้หนึ่งปีแต่ต้องกินอย่างประหยัดเวลาเมื่อวันละหนึ่งมืง่อเมื่อห้าวันละห้ า, หาบาทข้าวสองบาทข้าวสามบาทก๋วยเตี๋ยวสองบาทนี้ก็อยู่ได้นะกินน้ําปล่าไปประหยัดมันจะได้อยู่ได้นานๆหน่อยก็ก็อยู่อย่างนั้นมาอยู่ส่วนให ญ, ญ่ก็อยู่ เห็นว่ายันโยกมนั่งสมาธิในบ้านไปบางครั้งก็ออกไปหาที่มุงเงียบสงบถแถวตามชายหาดที่ไม่มีกฎกผูกพันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งปีมันก็มันก็ต้องมีต้องมีทางต้องเรีเขาจะทำอะไรต่อเพราะเงินมันที่เอามาใช้นี่มันจะหมดนะถ้าจะทำอย่างนี้ต่อก็ต้องไปบวช อนนั้นก็ไม่อยากจะบวชเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนถูกจาะเข้าเข้าโกงอยู่ใ น, นอยากจะปฏิบัติแนะไม่บวชแต่ไม่มีเงินที่จะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายถ้าจะมีเงินก็ต้องไปทํางานกลัไปทํางาน <Okay. S 1> ทำงานก็จะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติเท่าที่ควรก็เลยยอมบวชนะยอมบวชเพราะว่ายังอยากปฏิบัติอยู่ จางนั้นจิตมันก็มันก็เข้าเข้าเข้าได้เข้าเข็มมันก็เขาสามารถนั่งแสงบได้อยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ลึกไม่นานแต่มันก็สงบได้เรื่อยๆพอที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้อยู่ได้ก็เลยตัดสินใจบวชหลังจากหนึ่งปีไปก็บวชพอ บ, บวชแล้วก็ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่นได้ยินในฟังได้ธรรมะคำสอนของหลวงตามหาบว คอยช่วยช่วยแนแนววิธีการอุบายต่างๆแล้ไหลยใ น, ในในในพัฒนาขึ้นไปตามลำดับตอนนั้นพระอาจารย์ทำงานอยู่ก็นั่งทุกวันใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับตอนที่ทำงานอยู่็่ะตอนนั้นรู้สึกว่า อ, อยากจะไม่ได้นั่งทุกวันนั้นไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ไม่ไมีนั่งอยู่แต่ไม่นานรู้สึกว่า พอเริ่มปฏิบัติแล้วนั่งประมาณทักเดือนขแล้วมันก็เริ่มเริ่มเห็นความขัดแย้งระหว่างการทํางานกับการปฏิบัตินล้วก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะาทำอย่างไรดีที่นี่ความสงบที่ได้จากสมาธินี่มันเป็นขางวิมมหัศจรรย์ใจนะมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรตอนนั้นมันก็รู้สึกอิ่มตัวแล้วเรื่องการเที่ยวกับกินการดื่มมันสิ่งมันก็เท่านั้นน่ะ แต่พอได้ความสุขจากความสงบแล้วมันเหนือกว่าก็เลยต้องออกทางนี้ก็เลยตัดสินใจว่าต้องลออกจากงานแล้วจะได้ให้เวลาการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะบวชนะเพียงแต่ขอให้ได้ปฏิบัติประมาณปีหนึ่งก่อนแล้วถึงจุดนัด้นเราค่อยว่ากันอีกทีว่าจ ะ, จะไปทางไหนต่อไป แล้วพระอาจารย์คิดได้ยังไงเองเองเลยล่ะครับว่าจะต้องอยู่คนเดียวไปอย่างนี้เลยคือไม่มีต้นแบบหรือว WOW ่างี้ได้หรอครับก็อ่านหนังสือธรรมะที่ได้มาจากประเทศศรีลองการนี่ยก็สอนเรื่องการปิกวิเวกเรื่องการไม่ครุบครีกันอะไรทํานองนี้ทุดงเขาวาดอะไรต่างๆมพนั้นได้อ่านหนังสือต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับมันก็เลยรู้แนวว่าต้องทุดงเขาวาดกระชั้นมือเดียวกินมือเดียวอย่างเป็นต้น แล้วก็เสียงแตกอย่างน้อยขึ้นไปไม่แสวงหาความสุขจากการเสีรูปเสียงกลิ่นรสอุจจาพะมันก็บอกในตัวแล้วถ้าไม่ไม่หาความสุขมันก็ไม่ต้องไปข้างนอกไปข้างนอกมันก็ไม่หารูปเสียงกลิ่นรสกันในชะ่ไหมก็อยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ในป่านนะที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมายั่วยวนกวนใจเพราะมันพอออกไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันกิเลสมันออกมาทันทีใจก็น้อนขึ้นมาทันที ใจที่เยนสบายสบา ย, บายพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปั๊บมันใจมันสั่นนะใจมันเริ่มมีอาการอไม่ปกติแล้วไม่มีไม่นิ่งนะเวลาอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกมันก็ยังยังนิ่งอยู่แต่พอออกไปข้างนอกปั๊บมันเกิดอาการขึ้นมาแล้วแล้วาอาจารย์ใช้ตํารานั้นเป็นอาจารย์คนแรกเลยไหมครับอาจารย์ ก็ก็นันแหลเป็นเป็นหนังสือหลายๆเล่มในการสองสามเล่มในกานที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาจะเป็นภาษาอังกฤษเนะีเป็นหนังสือที่เขาแปลมาจากภาษาไทยบีโดบ้างเป็นหนังสือที่พระชาวต่างประเทศที่ไปบวชเป็นพระที่ศรีลังกาเขาแต่งขึ้นมาบ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติก็อาศัยการอ่านหนังสือแล้วก็อาศัยการปฏิบัติควบคู่ไปเหมือนก็ ทำให้เกิดความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วในพิเศษกรรมนันได้ทังสือสติปัฏฐานสี่เนี่ตอนนั้นสือสติปัฏฐานสี่แล้วทีน้เริ่มเห็นชัดเจนในแนวทางแนวทางของการปฏิบัติทั้งขั้นสติขั้นสมาธิขั้นปัญญามันบอกไปมันก็เลยมีมัน ม, มีเป้าหมายแนละ้วของการปฏิบัติว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างขั้นต้นเราต้องฝึกสติ เพื่อให้นั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ให้เข้าฌาน ไ, ได้แล้วใจจะมไม่เบรขามมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาทางปงัญญาให้เห็นเข้าใจหลักปริยสัสสีให้เข้าใจไตรลักษณ์แลเวลาเจอความทุกข์ก็ให้พิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์ก็เกิดจากความอยากที่เวลานั่งนั่งแล้วเจ็บ ที่เราทุกพระเราไม่อยากให้ความเจ็บหายไปเราไม่อยากให้ความเจ็บมาแต่ความอยากนี้กับเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ทางใจชั้นหนึ่งทุกข์ทางร่างกายก็คือความเจ็บของร่างกายนี้มันเป็นส่วนย่อยมากเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากให้ความอยากให้ให้ความทุกข์ทาร่างกายหายไปก็เลยในในใน ได้เห็นว่าอ๋อวิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ตางใจก็คือเราต้องหยุดความอยากตางใจหยุดความอยากให้ละความทุกข์ตามกายหายไปก็เลยต้องหาวิธีอุบายของมันก็มีสองขั้นขั้นแรกก็สติก็จะหยุดความคิดให้ได้เพราะถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปมันก็จะหยุดความทุกข์ทางใจก็จะหายไปแต่เั็นหายไปแบบชั่วคราวพอเรามาเห็นความเจ็บอีกว่ วความเจ็บมันก็ยังจะอยากอีกถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บก็ต้องใช้ขั้นปัญญาขั้นตอนก็ใช้สติก่อนให้เราได้หยุดหยุดความทุกข์ทางใจด้วยสติให้ให้ได้ก่อนให้ใจมีสมาธิเป็นพื้นฐานก่อนแล้วครั้งต่อไปเวลาเจอความเจ็บของร่างกายก็พิจารณาความเจ็บว่าเป็นอะไรเป็นอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีใครควบคุมนะครับสั่งมันได้ เวลามันจะมาก็มาเวลามันจะอยู่ก็อยูอ่เวลามันจะไปก็ไป ม, มันมีสามชนิดมีเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งสามนี้มันก็เป็นอนัตตาเหมือ น, าอาา น, น ด, นดออนินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวผลตกเดี๋ยวแดดออกพอเปรียบเทียบกับดินฟ้ากาศมาเข้าใจอ๋อเราไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปสั่งห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้ แล้วก็มองที่ความเจ็บของร่างกายเรามันก็เป็นเหมือนกับดินฟ้ากันเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถสอนใจให้อยู่กับมันให้ได้ยอมรับมันอย่าไปปฏิเสธมันแมันก็เลยเป็นแนวคิดใหม่แทนที่คิดรังเกียจความเจ็บแก็พยายามสอนให้ใจให้ชอบความเจ็บให้อยู่กับมันให้ได้อย่าไปรังเกียจมันเพราะไม่รังเกียจมันความอยากให้มันหายไปมันก็ไม่มีรังเกียดี๋ยวเวลาเราอยู่กับคนที่เราเกลียดเนี่ ไม่อยากจะให้เขาอยู่เลยอยากให้เขาไปให้พ้นหน้าพ้นตาแต่ถ้าเจออยู่กับคนที่เราชอบนี่อยู่งานเท่าไหร่แล้วก็ไม่เหนื่อยตอนทั้งนั้นนี่ก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมครับเวทนามันก็เป็นเวทนาเหมือนกันสุขเวทนาทุกเวทนามันก็เป็นเวทนาเหมือนกันก็เหมือนคนเหมือนกันคนที่เราเกลียดกับคนที่เรารักมันก็เหมือนกันยุทปัญหาอยู่ที่ใจเราเราไปรักไปเกลียดเขาเองแต่ก็เลยมาแก้ตรงที่ใจเราแทนว่าอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรักเขา แล้วเขาก็ทุกเวลาเขาจากเราไปเหยียดเขาก็ทุกเวลาเขามาแต่ถ้าไม่รักไม่เกลียดเขาทำใจาให้เป็นอุเบกขาเฉยๆได้จากกําลังของสติที่เราได้จากสมาธิเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอันนี้ใช้ปัญญาหลังจากนั้นจะเข้าใจแล้ ว, ลวเวลาเจอเวทนาชนิดไหนก็รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันเจอสุก็เวทนาก็ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้มันอยู่ไปนานๆเจอทุกขเวทนาก็ไม่มีความอยากให้มันหายไปทันที มันจะหายก็ปล่อยให้มันหายไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเราฝึกอยู่กับมันไปนี่คือการเห็นอนิจเห็นเวทนาว่ามันเป็นอนิจจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์ถลับกันไปสลับกันมาเราสั่งมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติอนัตตาไม่มีตัวตนเราก็เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นตัวตนไม่มีที่เราไปสั่งมันได้ให้หันซ้ายหันขวาได้ให้เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขได้เปลี่ยนไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ปวดจากว่าให้หายไปปุ๊บทันทีได้ให้กลับมาเป็นเหมือนตอนที่ไม่ไม่ไม่เจ็บไข้ได้มันไม่ได้หรอกมันก็มีกระบวนการของมันมันเปลี่ยนของมันเองไม่ต้องไปทำอะไรถึงเวลามันก็เปลี่ยนเองเราเข้าใจธรรมชาติของเวทนาว่าเป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาทุกข์ก็จะหายไป ถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของเวทนาว่าเป็นอนิจจังไปแล้วตาก็จะทุกข์เพราะอยากจะไปควบคุมเขาอยากจะไปเปลี่ยนเขาเขาก็ทุกข์ก็อยากย้ายก็หายให้กายเป็นสุขแต่เราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาเรายอมรับเขาเขาจะเป็นทุกขเวทนาก็รับเขาก็จะเป็นสุขเวทนาก็รับเขาไปแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดกับเขาเขาจะมาเขาจะไปก็ปล่อยเขามาไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกขของเขา เข้าใจไหมคืออย่างนี้เข้าใจครับอาจารย์ครับอืการทําเมื่อทายากทําใจเยากเวลาจะทุกข์ปั๊เจอทุกข์ก็ไม่ทนนะปั๊สติสตังห์ายไปหมดนั้นมีแต่กิเลสออกมาโอ้อยากจะให้มันหายครับแต่ดีนี้ก็นึกนึกถึงคําพระอาจารย์บ่อยๆว่าเหมือนดินฟ้าอากาศก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดอย่างนี้บ่อยๆขึ้นนะครับอาจารย์เริ่มเริ่มฝึกทำใจทุกอย่างเอนดินฟ้าอากาศหมดเพียงแต่เราไปมองว่ามันไม่ใช่ คนรอบข้างเราสภาวะทำเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็เหมือนดินฟ้าอากาศเั้านั้นถ้าเรามองว่าเป็นดินฟ้าอากาศเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับกับเหตุการณ์ต่างๆแต่เราไม่มองว่าเป็นดินฟ้ากาศคิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนก็ได้อะไรก็ได้จริงก็บางครั้งก็เปลี่ยนได้แต่บางครั้งก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ ก็อยู่เขาอยู่เข้าไปก็เป็นดำนี่ก็อยู่เข้าไปเขาเป็นกล้วยก็อย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นส้มอย่างนี้เขาเป็นส้มไม่ได้ก็อยู่เขาไปครับได้กำลังใจเยอะเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับคุณดำถามเลยครับบอกว่าจิตผู้รู้นี้หมายถึงอะไรครับและใครเป็นผู้ใครเป็นผู้ครับจิงนี้เป็นธาตุรู้พูดควำจริง ทุกอย่างในโลกนี้มีเป็นธาตุทั้งนั้นอ่ะร่างกายเราก็ประกอบจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีตัวตนธาตุน้ำไม่ีตัวตน้ไม่มีใช่ไหมก็เป็นน้ำของเหลวเรียกไดว่าธาตุธาตุน้ําของแข็งก็ก็เรียกว่าธาตุดินถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์นะธาตุดินก็คือของแข็งของเหลวก็คือธาตุน้ํำธาตุไฟก็คือความร้อนธาตุลมก็คือ ก็คืออะไรก็แก๊ dropped, kind of สย่งก๊าซเลยเขาเรียกกา๊าซถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เมื่อธานทั้งสี่มารวมตัวกันมันก็ทําให้เกิดอาการสารที่สองขึ้นมาเกิดร่างกายนี้ขึ้นมาส่วนใจนี้เป็นธาตุรู้มาครอบครองร่างกายทีหนึ่งมามาเหมือนกับเป็นคนมาขับร่างกายนี้สั่งให้ร่างกายขับเคลื่อนไปทําอะไรต่างๆตามความต้องการของธาตุรู้ ้ารุ้ก็ไม่หนึ่งไม่เป็นไม่เป็นกลไม่เป็นผู้แต่ภาษาสมมุติเราเราไม่มีเราก็พูดจะง่ายๆว่าเป็นเป็นผู้รู้เป็นตัวรู้อะไรแต่ความจริงก็ไม่ถูกหลักต้องหมอเป็นทารู้ที่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ครับผมทารู้มีความสามารถอยู่อยู่ห้าอย่างด้วยกันเป็นหนึ่งสามารถรับรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะมีความรู้สึก รู้สึกสุขรู้สึกทุกไม่สุกไม่ทุกอันนี้เวทนาแล้วก็มีความสามารถที่จะคิดคิดว่าจะทำอะไรดีจะไปไหนมาไหนดีแล้วก็มีความสามารถที่จะจำได้หมายรู้เห็นอะไรก็จะจำได้ว่าเป็นอะไรเป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็มีความสามารถที่จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายได้นี่คือทารู้ ที่มาเชื่อมมาประสานกับร่างกายแต่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนะเป็นเหมือนมาติดต่อกันผ่านทางกระแสของความสามารถของท่านรู้เกิดสามารถไปรับรูปเสียงกิ่นรสมาจากทางตาหูจ ม, มูกยิ้มกายของร่างกายได้แล้วก็สามารถสั่งให้ร่างกายทํางานได้ด้วยความคิดมีทั้งอินทุตมีทั้งเอัลฟูตคือรับรูปเสียงกิ่นรสมาจากร่างกายแล้วก็มีส่งคําสังส่ง ไปให้น่างกายทําตามคําสั่งอันนี้คือธาตุเนี่ยชีวิตของเรานี่มีธาตุห้าธาตุด้วยกันน่างกายเราสี่ธาตุสี่นะแล้วก็ใจเราเป็นใจเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่ห้าแต่เราไปหลงธาตุรู้ไปหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นเป็นเราเแล้วธาตุรู้ก็เป็นตัวรู้เป็นเป็นเราเป็นผู้รู้มีผู้ขึ้นมา นึดเป็นตัวหลงอาจจะไม่มีตัวตนไม่มีผู้ไม่มีใครเป็นความสามารถของธาตรู้ที่จะคิดที่คิดไปในทางความหลงเป็นคนที่แต่งนิยายแต่งนิยายขึ้นมาต่อไปนี้เราจะมีนายกอเป็นพระเอกนางขอเป็นนางเอกอันนี้ไว้เื่องของการปรุงแต่งของจิตของความคิดของคนของคนที่แต่งนิยายจิตเราก็แต่งนิยายว่า ตัวท่านรนี่คือเราเราคือผู้เราคือผู้รู้ท่านรู้เราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำลายต่างๆแล้วก็เป็นมคิดว่าร่างกายเป็นเราเองด้วยมันจะเลยไปกันใหญ่เลยอาจารย์ครับมีพิธีแก้ไขความโกรธแบบรถเร็วไหมครับเราใช้คำบริกรรม่ะบาิกรรมพุทโธพุทโธไปเอาโกยขายปั๊บป หนึ่งก็พยายามถอนตัวออกจากเหตุการณ์ให้ได้ให้ให้เร็วที่สุดเช่นขอตัวเข้าห้องน้ําไปแล้วก็ไปนั่งพุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าความโกรธจะหยุดไปวิปัสสนากรรมฐานอย่างง่ายๆทํายทอย่างไรครับอาจารย์ครับก็มองทุกอย่างว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดแม้แต่ร่านกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา มันจะเป็นจะตายก็ปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันทรัพย์สมบัติมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปทุกข์กับมันวิธีง่ายที่สุวิปัสสน า, าสัพเพมานตาตลบลนกไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเป็นธรรมเป็นของธรรมชาติเป็นเป็นเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ยังมีปรัสนาที่ง่ายที่สุดที่มองให้ทุกอย Der, ่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนั่งกายเราก็เป็นดินฟ้าอากาศภรรยาเราก็ดินฟ้าอากาศพ่อแม่เราก็ดินฟ้าอากาศลูกเราก็ดินฟ้าอากาศบริษัทที่เราทํางานก็เป็นดินฟ้าอากาศไม่มีอะไรแน่นอนะสิ่งเหล่านี้วันดีคืนดีมันจะน่มกับร่มวันนี้คืนดีฝนมันจะตกก็ตกวันนี้คืนดีพายุมันจะมามันก็มาแล้วเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้ นึกอย่างนี้บ่อยเหมือนกันคับอาจาร<ล>ย์เป็นตีนปัดครับไปลื <laughs> ม, <น S 1> มแล้วมันไปลืมแล้วมันไปอันนี้ทํา เ, ทเลยไม่ได้ทําเลยไม่ได้เป็นสัญญาหรือเป็นปัญญาครับอาจารย์ครับร <laughs> ถา <laughs> ถ้าเร า, ถ, า, เราถ้าเราทุกเราดับความทุกข์ได้ก็เป็นปัญญาครับ <laughs> ต้องมีทุกข์ก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นปัญญาและเป็นสัญญาครับ <laughs> ้าทุกข์เราดับความทุกข์ไม่ได้ถึงไม่ถึงน่าจะบอกว่ามันเป็นดินฟ้าอากาศแต่มันไม่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้รู้สึกแบบนั้น วความทุกข์มันก็ไม่หายไปแต่ท่านรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนยิ้มซ่ากันนะความทุกข์ที่เออมีกับมันหายไปวับเลยเงี้ยนี่เรียกว่าเป็นปัญญาสัญญากับสัญญามันต่างกันตรงนี้ยสัญญาดับความทุกข์ไม่ได้ปัญญาจะดับความทุกข์ได้ความทุกข์หายไปครับอาจารย์เวลานรื่องนี้นนาหายไปก็เป็นปัญญาแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเรื่อ ง, งนั้นอีกต่อไปด้วย จะเป็นเป็นครั้งๆรั้งได้ไหมครับอาจารย์เอาใหม่แล้วกออ็นึกใหม่แล้วมันแบบแบบถ้าเป็นเรื่องเรื่องแบบเดียวกันมันก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้ามันยังเป็นครั้งๆงอยู่ก็แสดงว่ามันยังอาจจะไม่เป็นปัญญาแท้เนั่ยอาจจะเป็นสัญญาอยู่การที่คนไปยึดติดกับพระสงฆ์แสดงว่าขาดที่พึ่งทางใจใช่ไหมครับอาจารย์คือโดยหลักแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ที่เรควรจะยึด ในแต่ปัญหาคือพระสงฆ์สมัยนี้มีทั้งพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์แท้กับพระสงฆ์ไม่แท้เพระสงฆ์แท้ก็หมายถึงพระอริยบุคคลแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยยึดได้ท่านไม่ดองดวงเรารับประกันได้ท่านไม่หวังอะไรจากเราท่านมีแต่จะช่วยสอนเราให้ดับความทุกข์ในใจของเราแต่พระแท้นี่ปัญหายากมีน้อย เราส่วนใหญ่ไปเจอพระที่ไม่ใช่เป็นพระแทเ้เราก็ไม่เราก็ไม่ได้บอกเป็นพระปลอมเพียงแดียวยังไม่เป็นพระอริยะยังเป็นพระปุถุชนอยู่พระปุถุชนนี่ท่านก็ยังมีโลคโกรธของเหมือนเราอยู่กกดดถ้ามีช่องทางให้ท่านโลคท่านก็จะโลคมีช่องทางให้ท่านโรกรธท่านก็โกรธได้แต่ถ้าเป็นพระอริยะนั้นท่านจะไม่โกรธไม่โรคต่างกันตรงนี้แต่ที่เราเพิ่งพระสงฆ์นี่หมายถึงพระอริยะสงฆ์เนี่ย พัตนาตายมีสามพระพุทธเจ้าเขาทาคําสอนแลพระพาลิยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เราแยกแยะไม่ได้เพราะเวลามาบวชพระพระอริยะก็ใส่จีวรสีเดียวกันพระไม่ใช่เป็นพระอริยก็ใส่จีวรสีเดียวกันแล้วเราจะไปดูได้นะว่าใครเป็นพระอริยเมือไม่เป็นพระอริยมันก็ยาก ม, มีวิธีดูเหมือนดูเพชรเนี่ยเพชรแท้กับเพชรปลอมคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องเพชรก็จะไม่รู้ว่าเพชรแท้เพช ร, พชรปลอมเป็นยังไง แต่ถ้าคนศึกษาเรื่องพระก็จะพอจะรู้ได้ว่าพระแท้เป็นอย่างไงพระไม่แท้เป็นอย่างไรนี่คนสน่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะศึกษากันคือเอาชอบเชื่อตามที่เขาเขาโจทย์ขานกันเขาล่ําเลยกันว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้เป็นพระนู่นพระนี่ก็เอาวันแล้วสิวิ่งไปเลยทั่วโลงวันนั้นเลย <laughs> แต่คุหนุ่มน้อยครับอาจารย์บอกว่านี้มีสองคำถามนะครับข้อที่หนึ่งหลวงตาครับผมนิสัยไม่รู้ว่าคุณป้าโทรหาคุณยายให้เดินมาหน้าบ้านแต่คุณป้าขอสตางคุณยายกับคุณน้ารู้ว่านิสัยคุณป้าขอแล้วไม่คืนให้เราแต่ถามว่าทําไมผมมานั่งคิดแล้วทําไมผมนึกไม่ออกว่าคุณป้านิสัยดีหรือไม่ดีอย่างไรผมไม่เข้าใจครับงันคนไม่รู้จักคิดไคิดไม่เป็นคุณไม่รู้ว่าดีดีทําให้ดีเป็นอย่างไร มันก็เลยสับสนต้องไปศึกษาคนดีนี้อย่างน้อยต้องมีศีลห้าถึงจะถือว่าเป็นคนดีได้คือไม่ลักทรัพย์ของผู้ไม่โกหกหลอกลวงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประเวทผิดในการมไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดต่างๆถ้าอยากจะดูว่าดีไม่ดีดูที่ศีลห้าว่าเขาไม่ศีลห้าหรือไม่ข้อที่สองครับคนที่เห็นแก่ตัวนี้เป็นบาปไหมครับ คือการเห็นกับตัวนี้มีสองแบบเห็นกับตัวโดยที่ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วไม่ไม่ได้ลัเลยหน้าที่การรับผิดชอบของเราเช่นบางทีเราเราจะไปนอนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเรื่องเห็นกับตัวไหมเป็นเรื่องเห็นกับตัวแต่เป็นเห็นกัตัวแบบที่ทําให้คนอื่นเสียหายหรือเปล่าถ้าเป็นเวลาของเราแล้วเราหลบไปนอนเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเห็นกับตัวใช่ไหมเพราะยังไม่ใช่ไม่ใช่เวลานอนของเรา แล้วก็หลบไปนอนแล้วหลบไปทํางานที่อื่นแล้วก็ไม่มาไม่เข้ามาเข้าเวรอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวได้แต่ถ้าเราต้องไปนอนจริงๆเพราะถึงเวลานอนหรือไม่สบายเแล้วเราไม่สามารถเข้าเวรได้เราก็อาจจะแจ้งให้เขาทราบก่อนว่าเราไม่ไม่สามารถเข้าเข้าเวรได้อย่างนี้ก็ไม่เห็นว่าไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะไม่ความจาเป็นเราก็ต้องเห็นแก่ตัวรักษาพยาบาลตัวเราก่อนให้ตัวเรามี มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทําหน้าที่ต่างๆได้นการเห็นแก่ตัวมันมีสองแบบเห็นแก่ตัวแบบที่มีความรับผิดชอบกับความเห็นแก่ตัวที่ไม่มีความรับผิดชอบขณะความที่เห็นแก่ตัวโดยไม่มีความรับผิดชอบนะถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวที่ไม่ควรทําถึงเวลาถึงเวลาทํางานก็หลบอย่างเงี้ยถึงเวลากินก็มานั่งกินกันพอกินเสร็จถึงเวลาช่วยล้างถ่วยล้างชามก็หายมุกเนาะอย่างเงี้ยเรียกว่าเห็นแก่ตัว การท่องพุโทโธพุธโทโธเป็นการทำสมาธิไหมครับเป็นการยนเลิญสติเป็นการควบคุมใจไม่ให้คิดให้ถูกใจไว้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วถ้าเราไปนั่งเฉยๆหลับตามันก็จะทําให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิได้แต่ต้องนั่งเฉยๆแต่ถ้าไม่นั่งเฉยๆเนี่ยมันยังจะทําให้จิตสงบได้ยากเพราะจิตยังต้องทํางานจิตยังต้องสั่งให้น่างกายขึ้นไหวอยู่ ทำไมโยมถึงตกหลุมรักคนอื่นได้ง่ายแสดงว่าโยมมีสติอ่อนโยมเข้าใจได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็คือเราไม่มีความสุขในตัวเราพอเราเห็นใครขึ้นมาปั๊บพอถูกใจเราเรา ม, มีความสุขกับคนนั้นแล้วก็เลยจะเราก็เลย จ, จะรักเขาได้ง่ายแต่ว่าไม่มีสติก็ได้แล้วก็ไม่มีปัญญาด้วย เราต้องอาศัยคนอื่นมาให้ความสุขกับเราพอเจอคนที่เราชอบขึ้นมาเราก็เลยรักเขาจะแยกขันห้าแยกอย่างไรครับก็ขันห้าแยกเป็นสองส่วนไยรูปกับนามรูปมีหนึ่งก็คือร่างกายเรียกว่าร่างกายนี้เป็นหนึ่งขันรูปประขันส่วนนามขันนี้มีสี่ก็คือความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจ อันนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้อยู่ในใจเป็นความความสามารถของใจที่สามารถรับที่มีความสามารถมีความรู้สึกได้มีความคิดได้มีความจำได้มีารู้ได้นั่นมีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสของร่างกายจากทีม่มาทางร่างกายได้คือแยกออกจากกันมีสองส่วนร่างกายก็ไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไป นามอาการทั้งสีก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงในลักษณะที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันไม่ดับมันไม่หายไปมันเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเวทนาจากสุขก็เป็นทุกข์จากทุกข์ก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์ความคิดก็อาจจะคิดคิดเป็นกุศลบ้างคิดเป็นอกุศลบ้างความจําได้ไหมรู้ก็อาจจะจําผิดจําถูกจําเรื่องนั้นจําเรื่องนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการดับดุลบลสียเก่งแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตาม ตาหูจะมองหูนิ้วกายตาไปเห็นรูปเนี่ยก็เป็นการรับรู้รูปอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยตาไปหันหน้าไปทางไปเห็อีกรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งรูปเสียงเกิดนั้นที่เข้ามามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันแล้วเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็คือพิจารณาว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนกันนะร่ะางกายก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ ส่วนใหญเราอยาจะไปควบคุมบงังคับให้มัน ม, มีแต่ความสุขให้มันคิดแต่ในเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขให้เราจําแต่เรื่องดีๆให้เราเห็นร่ารูปสิ่งกินรสที่ดีๆมาสัมผัสแต่เราไม่สามารถไปสั่งมันได้เพราะผู้นี้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอกาเป็นอนัตตาเราเลยที่เราทุกคนเราอยากจะอยากจะได้แต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่ไม่ชอบเราจะไม่อยากจะได้แต่เราควบคุมบงังคับมันไม่ได้มันให้เราทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมาด้วยกันทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทุกข์รา่างกายมีส่วนที่เราชอบและส่วนที่เราไม่ชอบส่วนที่ชอบก็คือเวลามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ชอบแต่พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะตายนี้เราก็ไม่ชอบก็เราก็เลยทุกข์กับมัน ทำไมค า, ารวาสและพระสงฆ์สมัยพุทธกาลถึงบรรลุธรรมง่ายเพียงฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคก็บรรลุธรรมได้แล้วครับอาจจะเป็นยุคที่คนที่มีบา ร, รมีมาเยอะเนี่ยสะสมมากกันเยอะนอนจังหวะที่จะบรรลุต้องรองมีพระพุทธเจ้าพันี้มองพอมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมปั๊บพวกนี้ก็สะสมบา ร, รมีกันมาเยอะอยู่แล้วว่าบรรลุกันอย่างรวดเร็วในยุคแรกๆนี่แล้วพระพุทธเจ้าก็ฉลาดเลือกคนสอนด้วย เลือกเลือกคนเรียนด้วยถ้าไม่เป็นสอนให้คนแบบสมสีสมว่าท่านหาตลาดของท่านก่อนตลาดไหนที่ตอบสนองได้เร็วท่านก็ไปที่นั่นก่อนมุ่งไปหาพวกที่มี ม, ม, ม, มีบารมีสูงคือมีเสียงที่สาดบริสุทธิ์มีสมาธิที่ตั้งมั่นในรูปปัจจางและรูปปัจจางพอแสดงปัญญาปั๊บเขาก็บรรลุธรรมได้เลยใ น, ในยุคแรกๆของการเผยแผ่ธรรมนี้ท่านจะมุ่งไปที่ระดับปัญญาชนพวกวิญญาชนทัง้งหย พอพวกนี้หมดแล้วก็มาพวกที่ที่มีปรเมอหย่อนลงมาพวกนี้ต้องใช้เวลาสอนมากขึ้นเพราะอาจจะมีจัดสินแต่ยังไม่มีสมาธิเป็นนักบวชแต่บวชแล้วรักษาศินได้บริสุทธิ์แต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าฌานได้อันนี้ก็ต้องมาสอนวิธีจัดระสตินั่งสมาธิไปก่อนแล้วพอเขาได้สติได้สมาธิเราถึงไปสอนขั้นปัญญาขั้นนึงพวกนี้ก็เป็นพวกที่ พวกที่สองกลุ่มที่สองท่านจะเจาะนอกจา ก, จากที่จะพวกกล่มแรกหมดแนละ้กลุ่มที่สามก็เป็นพวกที่ยังไม่เป็นนักบวชพวกคาราวะานเนี่ยยังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์ตลาดเวลาสมาธิก็ยังไม่ค่อยมีก็ต้างมาสอนให้ทําบุญทําทานนั่งาศีลภาวนาไปในวันพระอย่างนี้ให้หยุดทํางานทั้งหนึ่งวันคนมีแบ่งเป็นสี่ระดับเนยเรียกวัวสีเ่เหล่า วเหนือน้ำก็พวกนักบวชที่มีศีลมีสมาธิแล้วบัวปริ่มน้ําก็เป็นพวกที่เป็นนักบวชแต่ยังมีศีลแต่ไม่มีสมาธิแล้วพวกที่บัวกลางน้ําก็เป็นพวกคารวะที่มีมีความเลื่อมสายศรัทธาในการปฏิบัติทานศีลภาวนาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นแล้วพวกสุดท้ายก็พวกบวัวที่อยู่กับอยู่กับโคลกับดินพวกนี้ก็ไม่สอนเพราะพวกนี้จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป พวกบัวพวกบัวที่อยู่ใต้บัวที่อยู่กับโคลตมเนี่ยเป็นบัวที่ไม่มีโอกาสที่จะเจริญติขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้ำได้ท่านก็ไม่สอนพวกนี้พวกนี้ก็คือไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องการทำทานรักษาศีนตอนาเชื่อแต่เรื่องการหากินหารากากรู้สุขสนุขด้วยวิธีต่างๆผิดศีลก็เอาถูกศ <men> ีลก็เอาแล้วแต่ได้ทำไหนก็เอาทั้งนั้น พวนี้ไม่เชื่อเรื่องบเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเงีนวายตายเกิดพวกนี้ก็เลยเป็นพวกที่สอนไม่ได้มีคำถามเรื่องโบซีเหลาก็เลยได้ตอบไปแล้วนะครับอืมมันเำนั้นเหมือนกับจะลุ้นเพราะเถามมาก่อน น, นั่ <c oughs> นเองกับนิจเขาตอไปกับนิจ <c oughs> มันบังเอิญบังเอิญ น, นะไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีตาทีนะ่น่ะเร อาจารย์ครับตอนนี้ก็มีถวายทานกันเยอะแล้วก็ถวายทานบางทานเขาก็เอาไปกองไว้ไม่ได้เอาไปใช้จริงอย่างเงี้ยครับก็มีคนถามเหมือนกันบอกว่าถวายทานอย่างนี้มีผลหรือไม่แล้วก็ไม่ส่งผลอย่างไรครับคือการถวายทานนี่มันมีผลสองส่วนส่วนของผู้ให้ผู้ให้ในเวลาทําทานก็ได้ความสุขได้บุญที่ชนะความตระหนี่ชนะความห่วงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจนอันนี้ได้แล้วคนให้ แต่คนรับนี่ก็อยู่ที่ว่าเขาสามารถบริหารจัดการของที่เขารับมาให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีกําลังคนที่จะรับของได้มากะะน้อยเท่าไรบางทีให้มากกว่าที่เขาจะรับได้แล้วถ้าเกิดเขายังไม่เป็นคนที่อาจจะมีความตนียังมีกิเลสอยู่หวงสมบัตินี่พอได้รับของมาแล้วถึงแม้นตนเองจะไม่สามารถใช้ได้ก็เก็บเอาไว้ไม่ยอมไม่ยอมระบายไปให้กับที่อื่นต่อ ของเมื่อมันกองกันเยอะๆมันก็เสียทำหมดอายุได้แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพอได้ของมาเยอะแล้วใช้ไม่ได้ก็แบ่งไปที่อื่นต่อไปไปส่งไปที่อื่นหลวตามาบัวนี่ท่านเวลามีคนมาถอยของเยอะๆท่านก็ขนไปจากชาวบ้านนั่งแจกวัดวัดสงภาร์ที่อยู่ที่กันดาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ระบายไปไม่เก็บเอาไว้ แต่ถ้าเป็นพระที่ตันหนีพระที่ยังยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองอยู่เนียก็จะไม่ให้ใครได้มาแล้วเก็บไว้กองเงินเทินเทิร์กแต่กูให้นี่ได้บุญเต็มๆไปเรียบร้อยใช่ไหมครับได้แล้วไ ด, ได้เต็มที่ไปแล้วคนที่ไม่สมหวังเรื่องความรักมองในอีกมุมแสดงว่าเป็นคนโชคดีไหมครับจะได้ไม่มีพันธะให้ต้องกลุ้มใจเอาภัยหลังได้ครับ ก็มันจะมันจะเข็ดหรือเปล่าเลกลัวไม่เข็ดเลกลัวกลัวทุกได้สองสามวันเดี๋ยวก็ลืมะ แ, แล้วก็ไปรักใหม่นะถ้าถ้ารักแล้วลผิดหวังแล้วจับจุดจําได้เข็ดแล้วก็ก็ดีไปก็ได้ไปบวชได้อย่างน้องปูขาวนี่ท่านก็ผิดหวังในความรนะักภรรยาท่านไปมีชู้อย่นี้พอท่านจับได้พอรู้เข้าในี่ยตอนต้ตนก็หน้ามืดอยากจะฆ่าทั้งสองคนเลยพตพอดีได้สติ บอกให้ท่านเราไปฆ่าเขานี่เราเรวกว่าเขาเนะเขาเพ่งแต่เพระเพฤติผิดในการบาปไม่หนักเท่ากับการที่ไปฆ่าเขาท่านก็เลยเห็นโทษของการมีภรรยามีครอบครัรวว่าเนี่ยมีมีครอบครักรวก็ต้องไปทุกอย่างนี้นะท่านก็เราไม่เอาอีกแล้วต่อไปนี้ท่านประกาศบอกชาวบ้านเลยว่าต่อไปนี้ภรรยาของท่านนี่ยกให้เขาไปแล้วนะไม่เป็นของเราแนละ้วตั ว, ต, วตัวท่านท่านจะลาไปบวชท่านก็เลยได้บวชถ้าถ้าทุกแบบนี้น่าเข็ดดาบ แล้ว เ, เป็นทุกข์นี้ก็ก็ดีแต่ถ้าถ้าทุกข์แล้วอีกสักสองสามวัน2องสามเดือนเดินเองล่ล้พอเจอคนใหม่ยินดีอแล้วอันนี้ก็ก็ไม่ไ ม, มีไม่มีประโยชน์อะไจไม่จดไม่จำถ้าถือศีลแปดอยู่บ้านคุณแม่ให้พาไปซื้อต้นไม้กระถางเราขับรถพาท่านไปได้ไหมครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะกาหนด การปฏิบัติของเราเข้มข้นแค่ไหนถ้าเข้มข้นก็ไม่ไปไหนเลยเก็บตัวสำนวมตาหูจมูกนิ้วกายคือความจริงศีลแปดก็ไม่ได้ห้ามว่มาไม่ให้ไปโ น, น่นตอนนี้ได้แต่เพียงว่าถ้าการปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าถ้าเราออกไปข้างนอกนี่เราไปรับรูปเสียงกิน่นนั่นเข้ามามันก็อาจจะมาทําให้ใจเราฟุ้งซ่านได้ทําให้การภาวนาของเรา ล, ลําบากได้ก็ไม่ไปดีกว่า แต่ถ้าเรายอยู่ในภาวะที่เรายังอาจจะต้องออกไปข้างนอกอยู่แล้วก็รับถึงศีลแปดไปแบบหลงๆไม่ก่อยก็แล้วกันโยมทํางานเป็นหลักไม่ได้นั่งสมาธิวิปัสสนาขั้นพื้นฐานเลยจะได้บุญในระดับไหนครับถ้าทําแต่เฉพาะทานเป็นฐานหลักครับทําทานก็จะได้บุญที่จะส่งให้ไปสวรรค์ตอนที่ร่างกายตายไปนะจะไม่สามารถส่งให้ไปสู่ สวรรค์ชั้นพรมาโลกได้ไปแค่สวรรค์ชั้นเทพถ้านั่งสมาธิได้นเน้จะไปสวรรค์ชั้นเทพแล้วท่านได้ปัญญาวิปัสสนาก็ได้ไปสู่พระอริยชั้นพระอริยบุคคลการให้ปัจจัยสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ใช่การถวายให้พระสามารถอุทิศบุญให้ผู้ร่วรับเหมือนการถวายพระได้ไหมครับ ก็เป็นบุญแบบเดียวกันน่าจะได้นะเพราะว่าเป็นการให้เหมือนกันให้ใครก็ได้ความรู้สึกเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจที่เราุทิศก็คือความสุขใจอิ่มใจให้กับคนที่เขาไม่มีความสุขใจอิ่มใจดวงวิญญาณนะถามเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทคืออะไรครับอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องของการการการอะไร การหเหมือนกับเป็นการเดินเช่นเส้นการเดินทางของของจิตจิตที่มีอวิชชาเนี่ยเป็นผู้สั่งก็จะส่งก็จะสั่งให้จิตไปหาความสุขทางต า, งตางหูจมกูกลิ้นกายไปเชื่อมต่อกับร่างกายแล้วพอได้สัมผัสกับรูกเสียงเสียงรสฐานทางร่างกายก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาความอยากมันกายเวทนาก่อนก็สุขทุกเวทนาแล้วกเกิดตัณหาความอยาก เกิความอยากเกิดความอุปทานความผูกพันความยึดติดในความสุขหรือความเหล่านั้นพอความสุขนั้นหายไปก็ทําให้ต้องไปหามาใหม่พอร่างกายนี้ตายไปไม่สามารถหาความสุข่านทางร่างกายได้ก็จะไปเกิดใหม่อันนี้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเล่าถึงวิธีการทําไมเราจริงๆต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าใจเราหลงใจเราคิดว่าความสุขต้องหาผ่านทางร่างกาย แต่ความจริงความสุขแท้จริงไม่ต้องไม่ต้องใช้นานกายความสุขที่แท้จริงใช้สติใช้ปัญญาคือนิพพาน ท, ทําจิตให้เป็นนิพพานขึ้นมาด้วยสติในปัญญาข้อหนึ่งในการละสังโยชน์คือไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยแต่ในช่วงเวลาที่มีข่าวพระสงฆ์หลายรูปที่ไม่ดีแล้วเราจะทําใจให้ไม่ลังเลสงสัยในพระสงฆ์ได้อย่างไรครับก็ต้อง ก็ต้องทําก็ต้องก็ทําสงสัยไว้ก่อนนะทนะํางได้เมื่อเรายังไม่รู้ด้วยความจริงพรูอาจารย์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อให้สงสัยไว้ก่อนแต่ก็แบบว่าถ้าอันไหนที่เราสามารถไปพิสูจน์ได้เราก็ไปพิสูจน์เมื่เรามั่นใจว่าอ่าเป็นพระสงฆ์แท้ถ้าเรายังไม่มั่นใจก็อย่าไปเชื่อร้อเปอร์เซ็นตให้เชื่อครึ่งหนึ่งฟังหูไว้หู แล้วเราก็จะไม่เราก็จะไม่เสียใจเวลาที่พระที่เราคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่แน่ใจพอปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นเราก็จะได้ไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปเชื่อร้อ็นต์ว่าเป็นพระ ด, ดีพระอย่างนั้นนี้พอเขากลายเป็นพระอีกอย่างหนึ่งมันก็จะทำใเราเสียใจหมดศรัทธาได้ธาตุดินน้ำลมไฟธาตรู้และอากาศธาตุมีสภาวะเที่ยงหรือมีการสูญหายไหมครับ ไม่หายหพวกนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่เกิดไม่ดับเพียงแต่จะไปรวมกับไปรวมกันนะทำให้มปรากฏอะไรขึ้นมาชั่อข่าวเช่นร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์ในราชาดีหรือต้นไม้นี่ก็เป็นการรวมตัวของธาตุสี่ต้นไม้ใบหญ้าพวกนี้แต่มันก็ถ้ามันรวมตัวกันแล้วเนี๋ยมันก็ต้องแยกออกจากกันจึงมีการเกิดการดับของร่างกายต่างๆร่างกายของสัตว์ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของต้นไม้เป็นต้น พวกนเกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ถ้าเป็นท่นางกาของมนุษย์ของสัตว์ก็มีธาตุรู้มาครอบครองด้วยอีกธาตุหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกต้นไมใ้ใบหญ้านี้ก็เป็นเพียงแต่มีแต่ธาตุสี่ในน้ำของไฟไม่มีธาตุรู้ไม่มีวิญญาณนะเกาะแต่ก็ต้องแยกออกจากกันอยู่กันชั่วคราวแล้วก็แยกทางกันไปมาประชุมกันปั๊บเราเดี๋ยวก็แยกออกันไปกลับไปสู่ สู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตามเดิมแล้วเดี๋ก็กลับมารวมกันใหม่หมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย เ, อยเหมือนเหมือนน้ําน้ำน้ำที่ระเหยน้ําที่ระเหยขึ้นมาก็กลายเป็นเมฆใช่ไหมพอเมฆขึ้นมาเดี๋ยวพอเมฆหนักขึ้นมันก็ตกลงเป็นน้าอีกตอนท่านมันก็ละเหยจากน้ําทะเลอยู่ในทะเลเียวความร้อนความร้อนก็ทําให้เกิดไออระเหยขึ้นมาเป็นเมฆแเมฆก็ถูกพัดเข้ามา ท, ที่ที่แผ่นดิน พอถึงแผนีิก็ตกมาเป็นน้ํากลายเป็นน้ําอยู่ในแม่น้ำนำนํำลำธาน้ำในแม่น้ำลำธารก็ไหลกลับลงทะเลมันก็เวียนอย่างเงี้ยมันก็ท่าน้ำ ก, ก็มีอย่างนี้ไปตลอดท่านดินก็มีอย่างนี้ไปตลอดท่านไฟก็เหมือนกันคนที่รักเอาข้างเดียวน่าจะถือว่าเป็นคนโง่ควรใช้ธรรมะข้อใดครับมาปราบกิเลสมาาันไม่ได้อยากมีความรักแบบชู้สาว แต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่ทราบว่าต้องแก้ความรู้สึกรักเชิงซู้สาวอย่างไรดีไม่อยากให้เกิดเพราะรู้ว่ามันมีความทุกข์แต่อย่างที่บอกมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้รับเชิญเลยแก้ไขไม่ค่อยถูกหรือว่าเป็นกรรมที่โยมต้องเจออาจเป็นได้ทุกอย่างเป็นอนิจจังจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ให้มีความรักก็ไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดเองเลยเดินต่อไม่ค่อยถูกครับก็ณตองคนที่เราเล่นนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ เขาอาจจะดีวันนี้พผู้นี้เขาจะไม่ดีก็ได้เขาจะสวยวันนี้ผู้นี้เขาจะไม่สวยก็ได้ก็ดมีเรื่องบัติเหตุก็เป็นโรกภัยไข้เจ็บอะไรขึ้นมาอย่างนี้ความสวยงามเขาก็จะหายไปก็ได้ต้องมองเขอเป็นอนิจจไม่เที่ยมไม่ยั่งยืนถาวรพอเขาเปลี่ยนไปก็จะทําให้เราเบื่อเขาก็ได้ไม่อยากจะรักเขาเองกก็ได้หรือเขาจะตายจากเราไปก็ได้ คือแสดงว่าเขาเป็นทุกข์อ่ะถ้าเราไปรักเขาวเราจะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปรักเขาคนที่เราไม่รักเรามักจะไม่ทุกข์ใช่ไหมคนต้องยอะยะเที่มีในโรกนี้ที่เราไม่ไปรักขเขาเขาเป็นอะไรเราไม่ทุกข์กับเขาเลยแต่คนคนเดียวที่เราไปเลือกไปรักเขาคนนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันมาเวลาที่เขาเปลี่ยนไป คนที่รู้จักธรรมะรู้สึกเบื่อนหน่ายในวัตะสงสารแต่ยังไม่สาระทางโลกมุ่งทางธรรมอย่างเต็มที่เป็นเพราะยังติดอยู่ในกามะคุณอยู่ใช่หรือไม่ครับใช่ยังมีความเบื่อเบื่ออย่ากๆอยู่เนีย่ยาบางทก็เบื่อเวลาเบื่อก็อยากจะไม่บวชเนี่ยพอถ้าภาคผ้าหายเบื่อก็อยากจะอยากจะอยู่ต่อไปต้องปฏิบัติทําให้มากขึ้นนะ สร้างความสุขทางธรรมให้มากขึ้นแล้วต่อไปก็จะได้ยึดใช้ความสุขทางธรรมนี้เป็นตัวผลักดันให้ไปสู่การออกจากโลกของการเวีนว่ายตายเกิดได้ทำอย่างไรเราจึงสามารถสร้างบา ร, รมีจนสามารถหันหลังให้ทางโลกได้ครับก็ค่อยเป็นค่อยไปทำมาและเได้คนละน้อยไปก่อดตามกําลังของเราบา ร, รมีก็มีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมี ม่ตตาบา ร, รมีก่อนก็ได้มตรตารบา ร, รมีก็คือเราเป็นคนที่มีความปรารถนาดีกับคนทุกคนหวังดีคิดดีกับเขาหวังให้เขาม่อยากให้เขามีความสุขทอบความดีกับคนต่ตางๆเช่นการให้ทานก็เป็นการเป็นการเจริญมตตาบา ร, รมีอย่างหนึง่งเราเชอบใครเรารัไใครเราก็สามารถแบ่งปันข้าวของเงินทองให้กับเขาได้มันก็สร้างทานบา ร, รมีไป ศีลบาลมีแล้วก็พยายามรักษาไปรักษาศีลห้านี่ขั้นพื้นฐานก่อนแล้วถ้าเราเป็นกำลังมากขึ้นรักษามากขึ้นแบบนั้นศีลห้าจะได้ศีลห้าก็ไปรักษาศีลแปดต่อเฉะนั้นได้ศีลแปดต่อเราก็จะได้เนคขามาบารมีถ้ามีเนคขามาบาลมีเราก็จะมีเวลาไปปฏิบัตินั่งสมาธิให้ได้เบิดขาบารมีมันปัญญาบาลามีแล้วก็ต้องหาคนเข้าหาคนฉลาดคนที่มีความรู้ เราศึกษาจากเขาเมื่อคิดคิดด้วยปัญญาของเราก็แล้คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามความเป็นจริงอย่าไปคิดตามความเพ้อฝันคิดเป็นต้องคิดในสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแล้วเราก็จะมีปัญญาตามมาต่อไปนี่ก็บ้านละเมีต่างๆที่เราต้องสร้างไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่มี เวลาสงสารคนหรือสัตว์ช่วยเหลือแล้วเท่าที่จะทําได้ทุกใจเพราะสงสารจะทําใจหรือคิดยังไงให้มันเหลือแต่สงสารกับช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ต้องทุกข์ใจครับก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะชาวทั้งหลายทั้งปูงมีกรรมเป็นของของตนบางคนก็ทําบุญมาบางคนก็ทําบาปมาแบบพอถึงเวลาของบุญหรือบาปสงา่งผลก็จะทําให้เขาสุขหรือทุกข์ขึ้นมาถ้าเขาทุกข์ก็แสดงว่าเป็นเวลาของบาปที่เขาได้ทําส่งผลให้กับเขา เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้เราก็ต้องทําใจเฉยๆไปข้อถามเป็นความรู้ครับคนที่ยักยอกเงินวัดบากหนาเท่ากับฆ่าคนไหมครับแล้วจะมีโอกาสได้เกิดอีกไหมครับอไม่หรอกการรักรักตามนี้ม่ได้ทําความเสียหายได้ายแรงเท่ากับการฆ่าคนข้อข้อหนึ่งนี่หนักที่สุดตามในข้อสองตามด้วยข้อสามและตามด้วยข้อสี่ ทาได้ข้อห้าข้อห้านี่เบาที่สุดเพราะยังไม่ได้ทำใครให้ใครเดือดร้อนเพียงแต่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทำให้ตัวเองไม่มีสติควบขุมใจเกิดเวลาจะคิดทำบาปก็จะทาได้ง่ายกว่าเวลาที่ไม่ได้ดื่มสซดาอยากให้พระอาจารย์ให้แนวทางในการฝึกจิตให้กินอาหารแค่พออิ่มจะต้องเริ่มอย่างไรครับ ก็ต้องกําหนดอาหารที่เราจะกินน่อยเราจะกินกี่จานดีกําหนดไปเลยแล้วก็ต้องมีความหมัดแนเพอกําหนดว่ากินจานเดียวพอหมดจานแล้วก็ไม่ตักเพิ่มอีกเลยลกขึ้นเอาจานไปร้างจบเลย mm hmm. ต้องต้องมีการกําหนดการกินของเราว่าจะกินมากกินน้อยแค่ไหนกินกี่มือ้อะกิน hmm. สามมื้ออ่มื้อละจานอย่างตอนที่เราปฏิบัติเราอาจะกินมื้อเดียว ก็กินแค่พออิ่มข้าวจานก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็อิ่มนลสองอย่างก็กินแค่นั้นไปผู้หญิงปฏิบัติอยู่คนเดียวในบ้านตามที่พระอาจารย์สอนมีเก็บออมทรัพย์พอจะอยู่ได้ไม่ทำงานแล้วไม่ไปบวชทีอยู่วัดทำแบบนี้มีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับก็มีได้ ม, มีมีเหมือนกันเนพะียงแต่ว่ามันจะ มันจะช้าหรือเร็วเพราะว่าบางทีอยู่ที่บ้า น, นอาจจะไม่มีข้อสอบให้เราทดสอบบางทีบางครั้งาต้องออกไปหาสถานที่ทดสอบข้อสอบอเราเช่นความกลัวเนี่ยความกลัวตายเนี่เราจะต้องถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยมันก็จะไม่รู้ว่าเราหายกลัวอะไอย่างไม่กลัวตายอะไอย่างเร า, า จ, จะต้องไปอยู่ที่มันเปี่ยวแต่เป็นผู้หญิงมันก็อันตรายก็ต้างไปอยู่ที่เปลี่ยว อาจจะนั่งมาอยู่ที่วัดมันเป็นบางครั้งบางคราววัดป่าจริงตอนคืนม่ดๆก็อาจจะลองมาเดินในที่เมือนดูในที่ไม่ไม่ฉายไฟแล้วก็ปล่อยให้ดูเชื่อว่าเกิดความกลัวขึ้นมาหรือเปล่าอถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็ปลงได้หรือเปล่าว่าอย่างมากแค่ตายยอมตายได้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องไปหาข้อสอบดูแต่ถ้าปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่มันปลอดภัยเราก็จะไม่รู้ สั่งโยต์ที่พระโสดาบันละได้คืออะไรครับก็ข้อหนึ่งก็คือสักกายทิถิคือไม่เห็นว่าร่างกายไป็ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขทุกข์ก็เวทนาละละสองดวในีนะละความเจ็บละความตายได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บก็เป็นโสดาบันได้ ส่วนอีกสองข้อนี้มันจะเป็นผลพลอยได้จากข้อนี้ข้อนี้เพราะาพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะรู้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่มีมีจริงมีดวงตาธรรมก็มีปัญญาที่จะเห็นว่าขันห้าไม่มีตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนันตตาก็จะรู้ว่าพธธระพุทธเจ้ามีจริงเพราะว่านี่คือคําสอนของพอธธระเจ้าที่เรามาใช้กันในการปฏิบัติผู้ที่เห็นพธธระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฺ ก็คือพูดก็ตัวเราเองนะบุตตัวที่บรรุบุตตัวที่ละสักกายทิถิได้แล้วนอกจากเห็นเห็นอริยสัตว์สี่แล้วยังเห็นกฎแห่งกรรมด้วยเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากการกระทําบาป ค, ความสุขใจนี้เกิดจากการกระทําบุญแล้วความสุขใจทุกข์ใจนี้ก็จะเป็นผู้ทธที่สร้างสวรรค์สร้างนอนุกขึ้นมาเวลาที่ราง ก, กายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่สนใจไม่สงสารในเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะ เรไม่สงสัยในเรื่องของการรักษาศีล้รักษารักษาไปทำไมรักษาเพื่อปิดอบายไม่ต้องให้ไปเกิดอายบายอีกต่อไปพระญาติบุคคลทุกคนจึงไม่ไปเกิดอายบายกันเพราะถ้ารักษาศีลอย่างเข่งเข่งขันรักษาศีลยิ่งยิ่งกว่าการรักษาชีวิตผู้ง่ายถ้าต้องเลือกระหว่างรักษาชีวิตกับรักษาศีลด้านถก็จะรักษาศีลตามที่พระเจ้าสอนวาให้สละ สับเพื่อรักษาอาวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือศีลตธรรมนี่ในเบื้องตน้นได้ฟังคําสอนของคารวะท่านหนึ่งบอกว่าพระจะรับบาตรได้เท่าที่จะใช้ถ้าเกินต้องการห้ามรับจริงไหมครับถ้ารับแค่ที่ใช้แล้วยาดโยมที่ตั้งใจใส่บาตรก็อดใส่ตามที่ตั้งใจครับ ก็พวกเถรนตองก็คิดอย่างนี้กันเ <c> น <ười> ี่ยเกมันมีการบินถบาตของพระนี่มีหลายรูปแบบท่านพระองค์เดียวเนี่ยอยู่องค์เดียวจะไปบินถบาตองค์เดียวเนี่ยก็พอเต็มบาตก็พอแล้วจะไปคนอะไรไปมากมายไปก่อนนั้นแต่ถ้าพระที่เป็นถบาตเป็นสายเนี่ยเป็นไปหลายหายรูปด้วยกันเป็นสายแล้วเป็นธรรมเนียรของคนที่เราใส่บาตอยู่เราก็ต้องไปตลอดสาย แต่เต็มก็ไม่เต็มก็ต้องรับนะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทําหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายด้านยมก็มีหน้าที่ใสบ่บาตรพระก็มีหน้าที่ไปรับบาตรมันก็เลยไม่สามารถรักษาวินัยข้อนี้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันระหว่างรอคัดกรองปวดท้องมากแต่ทนไหว ลูกสวดมนต์แล้วบริกรรมปวดหนอสักพักก็เห็นความปวดลดลงบริกรรมต่อจนหายปวดท้องพิจารณาความปวดไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกาบเรียนถามว่านี่เป็นปัญญาเห็นธรรมไหมครับนี่เป็นสติอยู่นี่เป็นการใช้สติคำบลิกรรมหยุดความความอยากให้ความความปวดหายไปการใช้หัวใจก็เลยไม่ทุกข์กับอาการปวดท้องและอาการปวดท้องก็ จ, จะหายไปได้ด้วย แต่ถ้าจะพิจารณาเป็นปัญญาต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างเนี้เราอย่าเราอย่าไปทุกข์กับมันมันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปมันเป็นงหน้าตาไปทางนีจ้จางไม่เที่ยงก็ไม่น่จาจะว่าเป็นปัญญาด้วยหรือเปล่าอนะันนี้พ่อมีทั้งกรรมวิกรรมมีทั้งการพิจารณาว่าไม่เที่ยงอาจจะเป็นปัญญาด้วยก็ได้อันนี้ขออาภายัยด้วยเมื่อกี้ไม่ได้อ่า นั่งสมาธิทุกวันมาสองถึงสามปีแล้วนั่งได้แค่สี่สิบนาทีทนความเจ็บปวดไม่ไหวครับขอคาแนะนาครับถ้ายะเนื่งต่อก็ต้องต้องใช้คาบริกรรมต่อนะ้วต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้ทำให้ใจนิ่งให้ใจสง บ, บจะได้นั่งต่อได้ผ่านความเจ็บปวดได้แต่ถ้าไม่ไม่บริกรรมนั่งเฉยๆก็จะทนไม่ไหวก็ต้องลุกลุกไป พระอาจารย์ทําอย่างไรให้ไม่เบื่อในการปฏิบัติครับให้มันได้ผลเนี่ยพอปฏิบัติได้ผลมันไม่เบื่อมันกลับมีความยินดีความชอบรัากการปฏิบัติมากขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลนี่มันก็เบื่อได้ก็ต้องศึกษาวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเริ่มต้นที่สติก่อนอย่าไปสนใจกับยัื่องเรื่องอ่นแตเริญสติอย่างเดียวคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่ง ผูกใจว่าอยู่กับกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนให้ได้พอมานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้พอสงบแล้วมันก็จะเกิดความสุขขึ้นแล้ ว, ลวมันก็จะมีความยินดีแทนที่จะเกิดความเบื่อมันอยากจะมีความยินดีอยากจะนั่งแล้วบวยขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่มีความอยากทำให้ใจเราทุกแต่เราไม่รู้เลยทำให้เราวนอยู่ในความทุกข์ แต่เราใช้ความคิดว่ายอมหยุดเย็นแบบที่พระอาจารย์สอนทําให้ใจเราเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราต้องทําแบบนี้ไปทุกครั้งที่เกิดความอยากใช่ไหมครับใช่ถ้าเราทําได้ก็ดีมันก็จะหยุดความอยากได้ือเวลาเจ็บก็ยอมปล่ยอยยให้มันเจ็บไปจะตายก็ยอมให้มันตายไปพอเรายอมปั๊บเราก็จะไม่ต่อต้านเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่ไม่เจ็บไม่อยากให้มันไม่ตายพอเราไม่มีความอยากทุกข์ก็จะหายไป ก็คือยอมเจ็บยอมตายยอมเสียทุกอย่างไปให้หมดนะทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่มันไม่ใช่ของเราเั้านั้นนะ่ะเราต้องเสียมันทั้งหมดอยู่ดีไม่ใช่หรืมีใครอาอะไรไปได้ไหมในโลกนี้ของในโลกนี้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็เาไปไม่ได้ภรรยาสามีบุตรธิ่ได้ก็าไปไม่ได้ไม่มีอะไรเราไปได้เลยเราต้องยอมยอมปล่อยยอมให้เขาจากออกไปถ้าเรายอมได้ใจเราก็จะไม่ทึ่ง ถ้าเราภาวนาโดยใช้คําบริกรรมพุโทโธบางคนว่าเป็นการคิดทําให้เกิดพบแตกต่างกับอานาปานาสติที่รู้ลมจริงไหมครับอาจารย์ไม่จริงหรอกการคิดก็คิดทเพื่อให้หยุดคิดได้คําบริกรรมนี่คําคําบริกรรมบางคําทําให้เราหยุดคิดปรุงแต่งที่ไปสร้างพบได้เพราะเร า, เราอยู่กับพุโทโธเราก็ไม่สามารถคิดไปทางความอยากได้ต้องคิดไปตามความอยากถึงทําให้เกิดพบขึ้นมา ถาราไม่คิดไปทำความอยากมันไม่เกิดพอเพื่อถ้าประสบกับวิปัสสนากริยาต้องจัดการอย่างไรครับก็ต้องรู้กับว่าเราเราหลงนะหลงว่าเราเป็นสุดาบานนะอเงี้ยอาจจะต้องไปหาพระที่เราเชื่อว่าเป็นพระสมุดาบานไม่เป็นพระอรหันต์แล้วไปเล่าการปฏิบัติของเราให้ฟังว่าผมทําอย่างนี้ถูกไหม การที่ทหารฆ่าคนเพื่อป้องกันประเทศถือเป็นการทําบาปหรือไม่แล้วจะบาปเท่ากับฆ่าคนที่มีเจตนาฆ่าหรือเปล่าครับการฆ่าเพื่อเพื่อรักษาประเทศนี้มันก็บาปแต่มันไม่บาปเท่ากับการเป็นฆ่าเพื่อความโลภของเราเป็นต้นหรือค่าด้วยความโกรธของเราต่อคนนั้นคนนี้ที่เราฆ่าเพราะว่าเราเราทําหน้าที่ป้องกันประเทศคนที่เราฆ่าเราก็ไม่เราก็ไม่รู้จักเราก็ไม่โกรธไม่มีอะไรกับเขาเแต่ว่าเมื่อเขาจะมาลุกรามเราเราก็ต้อง เราก็ต้องมองกัรตัวเราเองมันบาปอยู่แต่มันบาป ไ, ไม่หนักเหมือนกับบาป ท, ที่เกิดจากความเกลียดชังหรือเกิดจากความโลภเป็นต้นช่วงนี้ลูกทุกข์มากเครียดงานใหม่ครับก็เพราะความอยากของเราต้องอยากอย่างใดอย่างหนึ่งกับงานใหม่อยากให้มันราบรื่นหรือเปล่าอยากจะให้ไม่ ไม่ถูกเ้าตำหนิหรือเปล่าลทำน้องนี้ก็ได้เราก็เลยเครียดขึ้นมาตอนนั้นพระอาจารย์มีความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตไหมครับเมื่หรอเพราะมันรู้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นข้อสอบไปแล้วมันกลายเป็นข้อสอบว่าเราจะต้องทํางานที่จะต้องผ่านข้อสอบเหล่านี้ให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปทุ่มกับมัน มันไม่กังวลมันอยากจะเข้าไปแก้ปัญหามากกว่ามันรู้ว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้เป็นข้อสอบที่ต้องทำเป็นตอนนี้เราทําการบ้านพอเพียงหรือยงังทํายังไงถึงจะผ่านการมราคะที่เป็นความเพลินพอใจยินดีในกามครับถ้าการมราคาที่เกี่ยวกับบุคคลเราก็ต้องพิจารณาร่างกายของบุคคลที่เราหลงรังกหลงชอบว่าเป็นอสุภะ เป็พิจารณาเวลาที่เขาตายไปแล้วเป็นศพสิบชนิดอย่างนี้เป็นต้นแล้วพิจารณาดือาการสาดที่สที่มีอยู่ในร่างกายของเขาให้เห็นอาการที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของอสุภะตาของปัญญาถ้าเราเห็นอาการ3 2 อ, อาการที่ไม่สวยงามแล้วการมรรคก็จะดับลง พระที่ขับรถผิดสีไหมครับอาจารย์มันไม่มีทําเนียมของพระที่ขับรถกันนะสมัยก่อนที่ไม่มีรถมีเกวียนเขาก็าไม่ให้พระเป็นผู้ขับเกวียนนั่งโดยสารได้แต่ไม่ให้เป็นผู้ขับลูกกับเรียนถามพระอาจารย์ครับช่วงอายุของญาติโยมที่ไปใส่บาตรที่พระอาจารย์บินทบาตมีคนไวัยไหนที่ภูกเกต็ตลูกก็เห็นแต่วัยกลางคนเด็กวัยรุ่นแทบจะไม่เห็นเลยครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสูงอายุหรือการคนพรนะาคนหนุมคนสาวก็ยังไม่เห็นทุกข์กันเขาเลยไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะคําสอนเขาสนใจกับการหาความสุขทางโลกกระทำเสมากกว่าเขาจะเสียดายเงินเอาเงินมาใส่บาตรเสียว่างเงินไปซื้อเสื้อผ้าดีกว่าเอาเไปซื้อรองเท้าดีกว่านอกจากว่าคนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่บางคนพาลูกมาใสาบ่บาตรตั้งแต่ข้อหลังมาก็มีอุ้มมาใสา่ทุกครั้ง แล้วก็ค่อยโตขึ้นมาก็ใส่ทุกวันทุกครั้งที่พ่อแม่ทาบุญใส่บาตรเขาก็มาด้วยมันก็าจะติดเป็นนิสัยของเขาไปก็มีอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีพ่อแม่สอนบางทีเขาก็ไม่มีนิสัยอย่างนี้ติดมาเข้าไปกามราคะเกิดจากความปรุงแต่งของจิตไหมครับก็ส่วนหนึ่งเป็นปรุงแต่งในส่วนที่สวยงามของร่างกายไม่ไปปรุงแต่งในส่วนที่ไม่สวยงามไปคิด ถึงเรื่องแต่ส่วนที่สวยงามคิดถึงหน้าตาของเขาคิดถึงผมของเขาคิดถึงผิวของเขาอะไเป็นต้นงนี้มันก็ทําให้เกิดการมารยาทได้แล้วถ้าไปคิดถึงลําไส้ของเขาคิดถึงปอดของเขาคิดถึงกระดูกมันก็มันก็ไม่เกิดการอารมณ์เลยก็คือความพรุงแต่งนั้นปรุงแต่งไปทางสุภาหรืออสุภาพถ้าพรุงแต่งไปทางสุภาก็คือความสวยงามแล้วเกิดการอารมณ์ขึ้นมา ปรุงแต่งไในทางที่ไม่สวยงามก็เป็นอสุภะก็จะไม่เกิดความเกิดอารมณ์ขึ้นมาทำยังไงถึงจะไม่ติดสมาธิครับออไม่ต้องการว่สมาธินี้ตินได้เบื้องต้นเราต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือในการดับการมราคะก่อนแต่หลังจากที่เราดับการมราคะได้แล้วเราเราเราไม่ต้อง ใช้สมาธิแล้วตอนนั้นเราถึงอย่าอย่า อ, อย่าไปติดสมาธิคืออย่าไปอยากให้จิตสงบด้วยสมาธิให้เปลี่ยนวิธีทําให้จิตสงบด้วยการละความอยากต่างๆที่ยังหลงเหล อ, อยู่ในใจซึงความอยากอยากจะให้จิตสงบด้วยสมาธิก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งที่ต้องละต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ถึกทันนั้นเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้ในการทําอะไรทักอย่าง เช่นยาเนี่ยยาที่เรากินกินรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเนะี่ยพอถ้าร่างกายยังไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆก่อนพอร่างกายหายแล้วเราค่อยหยุดกินยากินต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงแม้จะถึงแม้จะไม่เกิดเท่าก็ก็อย่าไปกินมันดีกว่าตอนนั้นเราก็เลิกกินยาไนดะ้สนาที่นี่ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจรักษาในการแก้เรื่องของการมลภาคะเรื่องของการยินดีใน ก, า, า, การหาความสุขจากทางกาม แนความความสุขตามการเราเลือกได้แล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้สมาธิกันต่อไปเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้แล้วถ้าเราเป็นอยากเราก็จะทุกข์อยากจะให้ใจเข้าสมาธิแล้วเราไม่สามารถเข้าสมาธิได้เราก็จะทุกข์ได้แล้วเราก็อย่าเราก็ไม่ต้องไปอาศัยสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อาจารย์ครับแล้วครูบาอาจารย์ที่สําเร็จแล้วนี่ท่านก็ยังนั่งสมาธิอยู่ไหมครับ นั่งได้แต่ท่านไม่ติดเงเหมือนคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่ติดกับคนที่สูบบุหรีแล้วติดก็มีใช่ไหมคนสูบบุรีไม่ติดก็ไม่มีสูบก็สูบไม่มีสูขก็ไม่ก็ไม่ได้คิดถึงมันอย่างเงี้คนที่ติดกาแฟกับคนที่ไม่ติดกาแฟก็แบบเดียวกันคนที่ติดกาแฟนี่เดี๋ยวต้องต้องหากาแฟมันเดือดอยู่เรื่อยๆแต่คนที่ไม่ติดกาแฟถ้ามีใครให้มันเดือกก็เดือดแต่ถ้าไม่มีมันเดือกก็ไม่ไม่คิดถึงมันไม่ไปหามันต่างกันตรงนี้ ครบาอาจารย์ที่ท่านมีปัญญาแล้วท่านก็ไม่ไม่ติดสมาธิท่านใช้ปัญญาทําใจให้สงบได้ันดีกว่าใช้ใช้สมาธิแะบางครัง้งบางคราวท่านอยากจะนั่งเฉยๆรับตาให้จิตสงบท่านก็ใช้สมาธิได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ติดมันถ้าเข้าไม่ได้ท่านก็ไม่เดือดร้อน บวชสาเร็จพระโสะดาบันแล้วมีจิตเมตตาทํางานสังคมสงเคราะห์ช่วยชาวบ้านเป็นอาบัติโทษไหมครับคือการบวชนี่เพื่อมุ่งหมายให้ไปถึงขั้นสูงสุดก่อนแล้วค่อยไปช่วยชาวบ้านเมื่อตอนนี้ช่วยตนเองให้บรรลุถึงทำขั้นสูงสุดก่อนเหมือนกับการศึกษาเนี่ยให้ใช้จบปีสก่อนอาจจะนับปริญญาก่อนแล้วค่อยไปทํางานไปช่วยสังคมต่อไป แต่ถ้ายังไม่จบยังไม่ได้รับปัญญาเนี่ยอย่าเพิ่งไปทํางานทางสังคมเพราะมันจะทําให้งานของเราไม่ไม่เสร็จไม่สําเร็จการบวชก็บวชเพื่อให้บรนดูเป็นพระอรหันต์ก่อนให้หลุดพ้นจากการเป็นว่ายตายเกิดก่อนเมื่อเราเสร็จภารกิจนี้แล้วเราจะไปช่วยใครก็ได้ไม่ช่วยใครก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราพระอรหันต์บางรูปท่านก็ไม่ไปช่วยใครท่านก็อยู่เฉยๆเงียบๆขอท่านไปก็มีบางรูปท่านก็ไปทําประโยชน์ให้กับทางเราแต่ส่วนใหญ่ก็ทําประโยชน์ทางธรรมใชมากกว่า ก็จะไปสอนธรรมะเป็นหลักอย่างพระพุทธเจ้าเนี้ยหลังจากที่ได้ทรงตัดสิ้ลแล้วก็ทร ง, งสอนทำธรรมท่านไม่ค่อยได้ทำเรื่องสังคมสงเคราะห์เท่าไหร่ทนาเกินในประวัติของพระพุทธเจา้าไม่ได้ไปไปสร้างโรงพยงาบาลไม่ได้ไปสร้างโรงเรียนไม่ได้ไปทำอะไรอย่างที่พระเราทำันสมนัยนี้แต่ท่านสอนอย่างเดียวสอนธรรมะวันละสี่รอบตอนบ่ายสอนคารวะญาณโยมตอนค่ำสอนพระภิกษุภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออก บินธบาะก็เล็งยานหรือว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นทํําทาหน้าที่สั่งสอนธรรมะอย่างเดียวถ้าไม่ไปทํากิจของสังคมสงเคราะห์ต่างๆเหมือนที่พาคเราสมัยนี้แข่งกันทํากันทําได้แต่ทําได้แต่มันแล้วแต่แล้วแต่ว่าท่านมีเหตมีปัจจัยให้ท่านทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านมีคนมาบริจาคเงินเยอะท่านม่รู้จะเาเงินไปทําอะไรท่านก็ไปทํางานสังคมสงเคราะห์ได้ แต่ท่านยังไม่เป็นวันเลีอะไรเพื่อหาเงินมาทำวัด ท, ทำบุญสงเคราะห์แต่ถ้ามีมีมีคนศรัทธาถวายเงินมาแล้วท่านก็พิจารณาว่าคนยามวันนี้ไปช่วยใครท่านก็ไปช่วยได้อย่างหลวงตาตอนต้นท่านก็ช่วยโรงเรียนช่วยหมู่บ้านก่อนช้ายโรงเรียนทําสระน้ําเก็บน้ําให้กับชาวบ้านสมนะัยนั้นเขาก็มีเวลาอากาศแล้งไม่มีน้ําหนังน้ําเขาก็ท่านก็ทําทําสระน้ําไว้ให้เขาได้ใช้น้ําได้ แล้วต่อมาก็มาช่วยสร้างโรงเรียนขยายโรงเรียนต่างๆแล้ต่อมาก็ไปช่วยโรงพ ย, ยาบาลที่เป็นข่าวแล้วต่อมาก็ไ ป, ม, ป, ม, ไปมีเรื่องของไอเอฟอฟนี่ท่านก็เลยไปช่วยเรื่องเรื่องเรื่องพระบาทช่วยชาติหาเงินเพื่อเอาเงินเข้ากองทุนเพรละแต่เหตุตามปัจจัยที่ท่านทําไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ท่านทำไปด้วยความอยากอยากจะทําอะไร การดูลมหายใจที่ปลายจมูกกับการตามลมหายใจเข้าออกการใช้ต่างกันอย่างไรครับต่างกันเพราะว่าการตามลมเข้าจิตต้องทํางานเนี่ยจิตต้องตามเข้าไปจิตต้องตามออกมาแต่ถ้าจิตดูเฉยๆนี่จิตจะ น, นิ่งกว่าให้อยู่จุดเดียวแล้วต้องการทําจิตให้เป็นสมาธิทําจิตให้นิ่งเราก็ต้องให้จิตอยุ่หยุดอยู่จุดเดียวไม่เดินไปเดินมาไม่เดินเข้าเดินออกตามลมเข้าตามลมออก ลูกเมียบ้านไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราใช่ไหมครับสมบัติที่แท้จริงของเราที่ติดตัวเราคือสติความสงบและบุญผมเข้าใจถูกไหมครับใช่อนี่ด้วยนี้บางทีเราก็มีนี่ติดไปกับเราด้วยก็คือบาปที่เราทำํำถ้าทําบาปล้วก็ต้องไปใช้นี่ถ้าทําบุญแต่ก็ไปรับผลบุญ ถ้าพยายามมีสติในระหว่างทํางานถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไหมครับมันเป็นสติก็ยอ่างกันสติในการทํางานนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสติในธรรมเพราะเป็นสติที่ใช้ความคิดอยู่ไม่ได้หยุดความคิดเป็นแต่ว่าให้มันจดจอ่อไม่ไม่ให้ไปที่อื่นเพื่อการทําการทํางานจะได้ไม่ผิดพลาดเท่านั้นเองแต่ยังใช้ความคิดอยู่สติในทางธรรมนี้ต้องหยุดคิดให้ดูเฉย ทำไมในการสร้างบุญกุศลของผมยิ่งเจอคนในครอบครัวของผมและคนรอบข้างกระทบกับผมในเรื่องการปฏิบัติธรรมและการสร้างบุญกุศลในบวรพระพุทธศาสนาเยอะจังเลยครับปัจจุบันนี้ขอคําแนะนําจิตใจผมสงบหรือมีแรงกําลังใจทนต่อทุกสิ่งที่พบเจออยู่ด้วยครับก็ต้องใช้ปัญญามองวเขากละเราต่างกันนะล่ะกันเขาเป็นเส้มเราเป็นกล้วยมันจะให้เขาเป็นเหมือนเราไม่ได้ครับมันก็ต้องมีการขัดแย้งกันเป็นธรรมดา เมื่อก่อนนี้เราเป็นซ่อมของเขามันก็ไม่มีการขัดแย้งกันไปด้วยกันได้นี่เขากินได้เราก็กินกับเขาเขาเที่ยวเราก็เที่ยวกับเขาเพราะเรามาทางธรรมปั๊บมันก็เริ่มขัดกันขึ้นมาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เขาเราเปลี่ยนไปเองเนี่อย่าไปโทษเขาเลยเราเปลี่ยนไปเองเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราก็อย่าไปหวังให้เขาเปลี่ยนก็แล้วกันท่านนองเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ปลไปเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็เป็นของเราไปต่างวันต่างอยู่ไปท่านนี้ มมนจเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันเหมือนเมื่อก่อนนี้กราบขอขอบพระคุณพระอาจารย์ครับมีคนบอกว่าวันนี้ฟังแล้วเกิดปัญญาอย่างมากเลยครับรอาจารย์ก็ยินดีด้วย เจอเพื่อนร่วม ง, งานไม่ดีชอบหาเรื่องใส่ร้ายใส่ความขมตลอดชอบตัดสินคนอื่นว่าไม่ดีเราควรทําใจกับคนแบบนี้อย่างไรครับและคนแบบนี้จะได้รับผลกรรมอะไรบ้างครับที่ชอบข่มคนอื่นครับถ้าเราเป็นก็ไม่ได้ถ้าเราปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วเขาก็จะได้รับผลของเขาไหมของเขาไม่ช้าก็เร็วประสงค์ซื้อหวยได้หรือครับผิดวินัยไหมครับ คือไม่ได้มันมันไม่มีสมัยนะั้นหวยมันไม่มีกันสมัยพุทธเจ้าอยู่ไหมแต่มันไม่เป็นพฤติกรรมที่คนจะทำพระสง์ไม่ได้มาหาเงินหาทองชื่อววยก็แสดงว่าโลกโลกอยากได้เงินทองพระสงค์มาละความโลภมามาหาธรรมะไม่ได้มาหาเงินหาทองหาสติไม่ใช่หาสตาง คำสมาธิแล้วจิตเข้มแข็งขึ้นทุกเกิดขึ้นใช้ปัญญาพิจารณ า, นานอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องขอพระอาจารย์อธิบายขั้นตอนวิธีการเดินจงกรมเวลาหยุดเวลากลับตัวต้องกำหนดว่าหยุดว่ากลับตัวหรือไม่ครับหรือบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวครับก็ได้ทั้งสองแบบถ้าจะเดินทำบริกรรมพุโทโธก็พอจเดินไปถึงปลายทางแล้วเดยวกับแล้วก็พุโทโธแล้วก็เดินต่อไป ถ้าเราอยากจะเข้าดูการก้าวของร่างกายแล้วก็ดูที่เท้ายกยกยกเท้าขึ้นวางเท้าลงก้าวไปก้าวมาอย่างนี้ก็ดูที่เท้าไปก็ได้แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนก็ได้อาจารย์ใช้ที่สัมผัสความรู้สึกที่ปลายเท้าเลยก็ได้ใช่ไหมครับที่ฝ่าเท้าครับก็ต้องรู้ว่าเท้านี้ก้าวไปสัมผัสเท้าซ้ายเท้าขวาไปตรงเรือ อย่างคือเป้าหมายก็คือทายังไงไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องหนึ่งนร่หนึ่งจะใช้อุบายแบบไหนก็ได้บางคนใช้แบบช้าๆยกนอ่ 9, นอ่า น, น, 9, นานน่่หน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่นนนนน่่่่อ่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ที่ ไ, ไ, ไ, ไ 9, ่่เใใ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อย่าง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่วมันมจะไม่อยู่ จะไปชินดังันดังนี้ได้ก็เลยบังคับให้เดินช้าๆก่อนก็ได้อันนี้ก็เป็นอุบายของแต่ละคนสติของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีสติมากพอก็ไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ให้รู้ว่ากําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปก็ก็พอแล้วแล้วอาจารย์เดินยังไงครับอาจารย์ก็เดินแบบนี้ก็รู้ว่ากลังก้าวเท้าซ้ายขวาไปแล้วก็มองทางเดินด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรเราจะเดินไปเตะหรือเปล่าเดินไปเหยียบหรือเปล่า ที่คนเราแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบกันเพราะลืมไปว่าอีกไม่นานต้องตายใช่ไหมครับใช่มีเพื่อนรุ่นป้าที่ร้านธรรมะทำโมาำ ม, มากถือศีลสมาธิแต่มีคําไม่ถูกใจมา ก, กระทบเขาจะปรีดมากแบบนี้เขาถือศีลหรือเปล่าครับอ๋อศีลอยนะครับความโกรธไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาทีเนีทําให้ความโกรธหายไปได้นั้นเป็นเรื่องธรรมดา ของคนปฏิบัติธรรมทุกคนถึงแม้จะนั่งสมาธิได้ก็ตามเนี่ยไเวลาจะสมาธิมาก็โกรธได้วิธีเที่เราทำให้ไม่โกรธต้องมีปัญญาคอยคุมใจตลอดเวลาท่านก็ต้องเป็นพระอรหันต์นั้นถึงจะไม่โกรธนะตอนนี้หนูมีความเครียดหดหู่บางทีก็ร้องไห้คนเดียวบางทีก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหนูควรจะไปปฏิบัติธรรมหรือไปหาหมอจิตเวช ค, ครับ เราควรจะฝึกสติให้มองว่าเจริญสติให้ทุกแห่งทุกคนที่หนูอยู่ไม่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ไัดก็ต้องเจริญสติอยู่บ้านก็ต้องเจริญสติเพราะถ้าเรามีสติแล้วเราจะควบคุมความคิดปรุงแต่งได้เมื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งได้ความเครียดความหงุดหงิดใจก็จะไม่เกิดขึ้น ข่าวเกี่ยวกับวัดพระครวาตในช่วงนี้เราชาวพุทธควรวางใจเราอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสมในเหตุการณ์นี้ครับก็เป็นอันนี้จากโลกเหล่านี้ศาสนาก็คนที่เข้ามาในศาสนาก็มีหลากหลายด้วยกันมีทั้งคนจริงคนไม่จริงหรือพระแท้กับพระไม่แท้ปนกันไปปนกัน อายุใกล้เจ็ดสิบแล้วชอบนอนฟังธรรมะมากกว่านั่งฟังจะถือว่าเป็นข้ออ้างจะบาปกรรมต้องกราบขอขมากรรมหรือเปล่าครับสมัยนี้ควรจะทําบุญกับพระศาสนาในรูปแบบอย่างไรดีครับคือการนั่งฟังและการนอนฟังนี้เวลาจะได้ผลไม่เท่ากันนั่งฟังมันจะไม่ดับนอนฟังมันจะเพิ่มแล้ับไปถ้าต้องการฟังให้มันตลอดรอดฟังแล้วได้สมาธิจากการฟังได้ปัญญาจากการฟังก็ควรจะนั่งฟังจะดีกว่า มันฟยกเว้นว่าถ้าเราไม่สบายนั่งไม่ได้นอนติดเตียงอย่างนี้ก็ต้องนอนฟังไปแต่ประโยชนมันจะได้มันจะไม่ไม่เท่ากับการนั่งฟังเพราะมันจะเคริ้มหลับไปส่วนใหญ่อส่วนการทําบุญก็ทําบุญกับศ า, าสนาก็ทําทําในรูปแบบของแบบมันก็พูดยากก็ต้องหาว่าที่เรามันา่นใจว่าเป็นว่าเป็นเป็นวัดของพระแท้แล้วก็ทําบุญกับพระแท้ไป ถ้าไม่รู้ก็ก็ทําบุญกับที่อไปก็ได้แล้วแต่ร้าเราทําบุญด้วยการปฏิบัติตัวเราให้เป็นพระแท้ขึ้นมาก็ได้อันนี้ยิดีกว่าเพราะถ้าเราเป็นพระแท้เราก็จะสามารถมามารประยุกตรักษาให้พระศาสนาอยู่ต่อไปได้ผมไม่รู้ไปกราบพระ ติดตามก่อนแล้วค่อยไปกราบหลวงปู่ทีหลังเนื่องจากหลวงปู่มีคนรอกราบอยู่เห็นพระติดตามว่างๆแบบนี้เราจะแบบบาปไหมครับไม่บาปแล้วคนเราตายไปแล้วจิตหลุดแล้วไปเกิดทันทีเลยไหมครับหรือว่าต้องเจอท่านโยมก่อนครับก็ไปเกิดบางทีเป็นดวงวิญญาณก่อนไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีก็เป็นดวงวิญญาณเป็นเทวดาก็มีเป็นพรหมก็มี เป็นเป็นเปรตก็มีเป็นเ ป, เ ป, นเป็นนรกก็มีแล้วก็บางทีก็กลับมาเกิดเป็นคนเลยก็มีเหมือนกันแต่น้อยคนที่ไม่ได้ทำบุญทำบาปเลยก็จะก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแต่ก็ต้องรอเวลาหาร่างกายกกว่าจะเข้าชีวิตได้ร่างกายก็อาจจะต้องใช้เวลาพอําควรแล้วแต่จังหวะ เวลานั่งสมาธิแล้วตัวแข็งเป็นเหมือนกำแพงหินที่ไม่มีความรู้สึกจิตพยายามผลักให้กายเรากายตื่นแต่เหมือนผลักกำแพงรู้สึกกลัวมากพยายามตั้งสติภาวนาต่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับก็เป็นการปล่อยร่างกายเวลาจิตภาวนานี้จิตจะอยู่กับสติอยู่กับกรรมฐานก็เลยจะดึงดึงกระแสของจิตรับรู้ที่ร่างกายออกมาร่างกายก็เลยจะเป็นกายปเป็นของแข็งไป ก็เป็นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปกังวลให้เราอาวนาต่อไปให้มีสติอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆค้ามหมายก็คือเราต้องการดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบซึ่งจิตก็จะแยกออกจากกายไปชั่วคราวและการรับรู้ใจการรับรู้นั่งายก็อาจจะหายไปในขณะที่จิตสงบ หากชอบของสวยงามเสียงที่ไพเราะสิ่งเหล่านี้เป็นราคะจริตไหมครับแล้วจะใช้ข้อธรรมอะไรขจัดได้บ้างครับก็ใช้อันนี้จังครมันเป็นของไม่เที่ยงเวลาที่เราได้ฟังก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้ฟังก็จะมีความเหงามีความเศร้าได้การฝึกการหายใจแบบ box breathing หรือการหายใจแบบ4 7 8อันนี้ผมแนะนําเป็นวิทยาศาสตร์ อ, อาจารย์ครับ เขาจะที่เขาจะกําหนดลมหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแล้วหายใจออกหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดปดนี่ครับอาจารย์ผมนํามาใช้ในสติในเจริญสติในเวลาว่างถ้าผมนําสติมากําหนดที่การหายใจแบบใดแบบหนึ่งแทนคำปริกรรมพุทโธตอนนั่งสมาธิหรือการทับสมาธิครับคือเป้าหมายของการนวดนี่ก็เพื่อให้ใจนิ่งสงบ ถ้าใจยังทำงานกําหนดบั ง, บงคับอยู่มันก็ยังไม่สงบมันจะช่วยในเบื้องต้นช่วงที่ใจเราฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยอาศัยวิธีอุบายให้ใจมาคิดอยู่กับเรื่องของการหายใจแต่พอถึงระยะหนึ่งพอใจเริ่มเริ่มสบายเริ่มสงบแล้วเริ่มเริ่มไม่เครียดไม่ฟุ้งแล้วก็ควรจะหยุดวิธีนี้แนละ้วให้ดูเฉยๆอยู่ที่ลายในหกเฉยๆต่อไปคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ สงสัยมานานแล้วครับว่าเราปฏิบัติปิดวาจาห้ามใช้เสียงเลยหรือเปล่าครับแล้วเวลาทําวัดสวดมนต์ใช้เสียงได้ไหมครับปิดวาจาห้ามอะไรบ้างครับพอดีไม่าาาาไมีการปฏิบัติมันจำเป็นจะต้องเปิดวาจาคือพูดให้น้อยพูดเท่าที่จําเป็นนี่บางคนเขาควบคุมไม่ได้แยกแยะไม่ได้ว่าคนจะพูดเมื่อไหร่ไม่ควรพูดเมื่อไหร่ก็เลยปิดวาจาไปเลยแต่บางคนปิดวาจาแล้วเวลาจะสื่อสารก็เขียนเป็นหนังสือให้คนอื่นไา้ อนี้มันก็เหมือนกันแหละมันก็เหมือนพูดอยู่ดีพูนผ่านการเขียนหนังสือใจก็ยังฟุ้งอยู่เหมือนเดิมเพวามหมายของการปิดวาจาเพื่อให้ลดความฟุ้งซ่านของใจเพราะเวลาคูดพูดคุยมันต้องมันต้องใช้ความคิดนี่ยเราคิดไปคิดต่อไปตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาก็อาจจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้งนั้นนักปฏิบัติถ้าถึงมักจะพยายามสํานวมวาจาพูดให้น้อยที่สุดพูดเท่าที่จะเป็นแต่ไม่ต้องไปไม่ถึงกับปิด เพราะบางคั้งบางขาวัางกรณีจะต้องสื่อสารกันก็จะได้พูดได้ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ6 3 1ในยู6 6 5ในครับ7ในติกตอก503รวม 1,806 คนนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา25นาทีพระาอาจารย์ตอบไป70คำถามครับผม นี่คำตอบยาวหน่อยนะมาเรื่องอะไรใหญ่ๆหน้าเนื้อมากขึ้นหน่เนื้อสาราะมากขึ้นหน่ก็ดี ใ, ใจกับทุกท่านที่มาเข้าม า, า ร, ร่วมสนกษาทำกันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อยอสําหรับการสนกษาทำตลอดวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตำำ้องมาบอกสิ่งที่ท่านได้ฟังไป พ, พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเดินในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอร อขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านีน้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเค ย, ยนะประเทศนทยขอเจริญพรคุบุตินใจ